Buddham s a r a m gaccham. Buddham sariram gaccham. u d h a m s a r a m gaccham. Dhammam sariram gaccham. i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 วัดกลางอบางปลหมาจสุพรรณบุรีเรื่องสภาตวะสังวรสูตรครั้งที่ห้าขอเชิญท่านรับฟังได้นำบัตรนี้ครับ โมทนาร์ที่ได้ตั้งใจในการที่ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเออในครั้งนี้ก็จะต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วในพูดในเรื่องของสัพพาสวะสังวรสูตรไว้ก็จะบรรยายให้จบแต่วนนี้จริงๆครั้งที่แล้วก็เกือบจะจบนะก็ก็ให้ให้สมบูรณ์ให้จบให้สมบูรณ์ทีนี้การศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือเป็นการปรับ เบื้องต้นจริงๆเนี่ยเป็นการปรับวิธีคิดออว่าจะคิดยังไงให้สอดคล้องกันกันกบพราธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังโดยเฉพาะในสัพพาสวะสังวรสูตรหรือในในกัมพีมชิมนิกายโดยทั่วๆไปเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะสอนเกี่ยวกับเรื่องของว่าอาสวะที่พึงละได้ด้วยทัศนะดวยทัศนาก็คือการเห็นตามความเป็นจริง ทนี้อาสวัตที่จะพึงละด้วยการด้วยทัศนะคือการเห็นตามความเป็นจริงนั้นโนะดยมากท่านจะกล่าวบอกว่าพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงผลของการที่ปุถุชนไม่ได้สดับไม่ได้พบไม่ได้รับการแนะนําในธรรมของพระอริยะหรือของธรรมของสัตบุรุษหมายความว่าไม่ได้เจอปะตะ โ, ตโคลสาโโก็แปลว่าไม่ได้รับเหตุปัจจัยภายนอกที่จะเป็นปัจจัยแก่กับการ ทำให้เจริญงอกงามในวัรนวินัยยิ่งยิ่งขึ้นไปนึ่งทำให้ปุ้ดูชนผู้นั้นน่ยไม่รู้ธรรมที่ควรใส่ใจแล้วก็ทำที่ควรพิจารณาทีนี้เมื่อไม่รู้ไม่รู้จึงพิจารณาธรรมที่ไม่ควรพิจารณาไม่พิจารณาธรรมที่ควรพิจารณาก็เป็นเหตุให้อาสะวะเกิดขึ้นก็คือกามาสวะอา ส, ะ ว, ะอาสะวะคือกามความไข้ความติดใจในการบคุณต่างๆก็เกิดขึ้นภาวาสะวะอาสะวะคือพบความยึดติดในพบ ในความเป็นความเกิดขึ้นต่างๆก็เกิดขึ้นแล้วก็อวิชาสวะอาสวะคืออวิชาความไม่รู้ตามความเป็นจรงิงคือความหลงก็เกิดขึ้นทีนี้ปุตุชนย่อมพิจารณาโดยไม่แยกคายก็หมายความว่าอโยอนิโสมนสิการ Lil'. นี่เนี่ยการพิจารณาโดยไม่แยกคายก็เกิดขึ้นพอเกิดขึ้นก็ก็ไปพิจารณานส่วนเราได้มีมาแล้วหรือหนอเราไม่ได้มีมาแล้วหรือหนอเราได้เป็นอะไรหนอเป็นต้นเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้น และเมื่อปุตตชนเนี่ยมีความสงสัยทั้งในอดีต ท, ทั้งในปัจจุบันทั้งในอนาคตเป็นต้นเนี่ยก็มีวิจิกิจชาก็ไม่สามารถที่จะข้ามพ้นความสงสัยทั้งสิบหกประการดังที่ได้เคยสาธยายมาไว้หลายครัง้งพอเป็นอย่างนี้เบีดเสร็จแล้วปุตตชนมนสิการโดยไม่แยกขายหมายความว่าอายอนิโสมนสิการนี่นะเพราชิดไม่ถูกแล้วเนี่ยก็ย่อมจะมีทิฏฐิทิฏฐิเนี่ยคือความยึดความเห็นผิดที่เกี่ยวกับอัตตา เช่นอัตตาของเรามีอยู่อัตตาของเราไม่มีอยู่เราย่อมรู้อัตตาด้วยอัตตาเราย่อมรู้สิ่งที่ไม่ใช่อัตตาด้วยอัตตาเราย่อมรู้อัตตาได้โดยสิ่งที่ไม่ใช่อัตตาอัตตาของเราย่อมเป็นผู้สวยผลกรรมดีกรรมชั่วเป็นต้นนั้นทิฏฐิทั้งหประการเนี่ยเกิดขึ้นก็มีความยึดมั่นอัตตาของเรานี้เป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนเป็นของมั่นคงไม่แปรผันจะตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอไปเป็นต้น ฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ตรัสโดยสรุปบอกว่าผู้ดูชนผู้ไม่ได้สดับเนี่ยผู้ประกอบไปด้วยทิฏฐิสังโยชนย่อมไม่พ้นจากชาติคือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายโศกะคือความโศกปริเทวะคือการข่มครวนลำพันธ์ทุกขาก็คือความทุกข์กายแล้วก็โทมานาตก็คือความทุกข์ใจและอุปายาติก็ความคับแค้นใจและก็ย่อมไม่พ้นไปจากทุกมีชาติที่ทุกขโดยเฉพาะก็คืออบายทุกข์เป็นต้น ซึ่งต่างกันกับพระอริยะถ้าพระอริยะสาวกผู้ได้สดับได้พบพระอริยะฉลาดในธรรมของพระอริยะได้รับการแนะนําด้วยดีในธรรมของพระอริยะได้พบสัตว์บรุษฉลาดในธรรมของสัตว์บรุษแล้วก็ได้รับการแนะนําด้วยดีในธรรมของสัตว์บรุษน่ยย่อมรู้ธรรมที่ควรมนสิการคือธรรมที่ควรใส่ใจธรรมที่ควรพิจารณาและธรรมที่ไม่ควรมนสิการไม่ควรใส่ใจ ฉะนั้นเมื่ออริยสาวกผู้รู้ธรรมที่ควรมานสิการและไม่ควรมานสิการเนี่ยย่อมไม่มานสิการทำที่ไม่ควรมานสิการย่อมมานสิการทำที่ควรมนสิการทีนี้อริยสาวกเมื่อมานสิการโดยแยกขายวันนี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ขอ้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกเนี่ยพอไปพิจารณาเข้าใจในอริยสัจสีอย่างนั้นตามความเป็นจริงเขาก็มีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกมีขอ้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกได้ เมื่อเขาปฏิบัติเข้าถึงความดับทุกข์ได้เนี่ยอริยาสาวกมนศสสการโดยแยบคายก็ย่อมละอะไรได้ละสักกายทิฏฐิความเห็นความยึดถือกายกองของขันห้าเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นเราเป็นของของเราก็คือทิฏฐิเนี่ยนะที่มันเหนียวแน่นประการต่อมาก็คือวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณของพระัตนตรยัยในคุณของพระพุทธธารพระสงค์ ก็คื อ, อตัววิจิกิจฉานี่แหละที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการสงสัยในเรื่องกรรมดีผลของกรรมดีกรรมชั่วผลของกรรมชั่วเป็นต้นประการต่อมาคือศีระพตาปรามาสความยึดถือศีลและพจน์ยึดถือในรัที่พิธีข้อปฏิบัติที่ผิดผิดต่างๆซึ่งไม่นําไปสู่ความพ้นทุกก็อทิฏฐิตัวนี้เนี่ยที่มันเป็นปัจจัยทําให้คนปฏิบัติผิดเข้าใจผิดทีนี้พอศึกษาคําสอนในวันก่อนก็ ไปเขาไปสนทนาธรรมกันที่ที่อยุธยาก็มีกลุ่มพวกบรรดาผู้ฟังธรรมกันศึกษาธรรมมีมาหลายกลุ่มทีนี้ก็มันเป็นการเป็นการเสวนากันก็นั่งเสวนากันทีนี้แต่ละคนที่มาเสวนากันที่ว่ามเป็นองค์ปารกเป็นคาราวาแล้วก็มีพระเอื อ, อยอยู่องค์ไปนั่งคุ ย, คยอีกกลุ่มนึงก็มาจากสายธนชาติพุทธาสอีกกลุ่มนึงก็ หมายถึงที่ขึ้นมาเป็นองค์วัดพระ อ, องค์วรญญ า, 3, อมอายมีสามรอายานด้วยนะเป็นสามเป็นครว่าสองที่แทนหนึ่งก็เป็นท่่เรียนแต่เขาจบมหาบัณฑิตมา ท, งทงางทางเกษตรศาสตร์แต่เขาเป็นสายของอาจารย์สุจินหนึ่งสายอาจารย์สุจินสองสายอาจารย์พุทธทาตสกระตัญญูบินนังก็คุยทีนี้คนฟังก็หลายกลุ่มที่ในกลุ่มที่มีศึกษาการศึกษาพระไตรปิฎกไปก็มีอยู่กลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ แบบศึกษามาอย่างกลุ่มสายกลุ่มกลุ่มอาจารย์พุทธธาตุก่มจารย์จินก็ก็สายเขาว่ากันทีนี้นพอบรรยายไปบรรยายไปพอถึงถึงถึงโยมก็บรรยายทีนี้คนที่เขาฟังในกลุ่มที่เขาเทียบคําสอนลงในพระไตกรปิฎกก็เริ่มเริ่มมีอาการเครียดคือเวลาฟังสิ่งที่ที่ตนเองเอ๊น่าจะไม่ใช่สมมุติอย่างเง พอไปฟังสิ่งต่างๆว่าเออนี่น่าจะไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็โอ้ยอย่างนี้ถูกใจมันก็จะมีบรรยากาศในการฟังหลายๆกลุ่มทีนี้ก็มีโยมอยู่ท่านหนึ่งก็ถามบอกว่าในกรณีที่เราเกิดความอึดอัดถ้าไปณนะสถานที่ใดเนี่ยควรวางใจอย่าง้งใช่ไหมใช่อาจารย์ก็เลยบอกว่าเลยเล ย, เล ย, เลยพูดให้ฟังบอกว่าเออเนี่ย ในขณะที่พวกเราทั้งหลายอยู่เป็นคนละทิศละทางอยู่สุพรรณบ้างอยู่อยุธยาบ้างอยู่ลบบุรีบ้างเป็นต้นเหลนี้มาชุมนุมทํากันเจตนาที่มาคือมาอะไรบางหนึ่งมาทําบุญทีนี้พอมาเนี่ยถามว่าเราได้เห็นอะไรเออได้เห็นพระได้เห็นกะทางทางจักขูทวารทางทวารตาแต่เราก็ได้เห็นเห็นพระเห็นผู้ก่าวทำแล้วก็เห็นเพื่อนร่วมปฏิบัติธรรม ทางโสตาทาวารทางทาวารหูเราก็ได้ยึดได้ฟังก็ทำสรุปแล้วก็คือว่าจริงๆเนะ่ยเจตนาหนึ่งเรามาทําบุญก็คือมาทํากุศลกรรมแต่ในขนาดเดียวแสดงให้เห็นว่า น, นี่พวกเรามานั่งกันอย่างนี้แล้วก็มีพระมีองค์บรรยายธรรมหรือมีผู้บรรยายธรรมบรรยายให้กับพวกเราฟังนี้แสดงให้เห็นชัดว่าตอนเนี้เรามารับผลของบุญนั้นมารับผลของบุญก็แปลว่าพวกเราเนี่ยเป็นคนมีบุญใช่ไหม ถ้าไม่มีบุญจะมีคนมาบรรยายคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ฟังเหตุที่มีคนบรรยายคําสอนของพระเจ้าให้พวกเราฟังเนี่ยแสดงเห็นชัดว่าเขตในอดีตเนี่ยเราทำมาแสดงว่าเราทําบุญมาในอดีตเราจึงได้มีโอกาสมาฟังธรรมเห็นไหมถ้าเราเชื่อมโยงระหว่างอดีตกับปัจจุบันให้ถูกเนี่ยเราจะเริ่มเข้าใจทีนี้ในขณนะเดียวกันในขณะที่เราได้ฟังธรรมเนี่ย แต่ก็มีสิ่งที่แปลปลอมหมายความว่าสิ่งที่ไม่พึงประสงค์สิ่งที่เราเราคิดว่ามันไม่ใช่เนี่ยแทรกมาเป็นระยะระยะอันนั้นเป็นเพราะอะไรก็แสดงว่าเป็นผลอีกจากการกระทําของพวกเราทั้งหลายอีกเหมือนกันแสดงเห็นชัดวันในอดีตเนี่ยเราทําดีและไม่ดีเนี่ยปนกันมา <c oughs> เขาเรียกว่ากรรมดำํากรรมขาวคราเข้ากันฉะนั้นเวลาเราได้รับเนี่ยเราก็จะรับสิ่งที่ดําบ้างขาวบ้างทีนี้พอได้รับสิ่งที่ดําบ้างขาวบ้างเนี่ย ถามว่าเราไปไปโทษใครเราไปโทษใครใช่ไหมเราไปโทษว่าคนนั้นทํำไมพูดอย่างนั้นคนนั้นทําไมแสดงปฏิกิริยาอย่างนั้นคนนั้นทําไมถึงคิดอย่างนี้เป็นต้นเราอย่าไปโทษอย่างนั้นต้องคิดว่านี่แหละนะการสร้างเหตุใจที่ไม่สมบูรณ์แม้ในขณะที่จะฟังธรรมก็มีสิ่งแทรกรบกวนก็เลยเล่าบางว่าเรื่องเนี้ยอาจรมาชินแล้วเพราะมันเป็นเรื่องปกติเลยใช่ไหม นีละการเกิดมาในยุคสองพันกว่าปีหลังพุทธปรินิพานเป็นแบบนี้ที่จะฟังคำสอนแบบบริสุทธิ์จริงๆโดยไม่มีบาปมาแทรกเลยเนี่ยคนยุคปัจจุบันนี้เราต้องคิดว่าเราเน่เป็นคนบุญน้อยที่มาเกิดยุคนี้ต้องถือว่าคนบุญน้อยทำไมจึงเรียกบุญน้อยเวลาจะทำดีแต่ละทีก็มีบาปมาแทรกตลอดบางครั้งแทรกจนหลายคนก็เรียกเหมือนเล่นสะตับแตก ตะบะตบปะในที่นั้นก็แปลว่าความเพียรความเพียรที่ได้ยิงมามาเรียวความอดทนฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแต่ควรมนานสิการดังที่ได้กล่าวว่าเนี่ยเหตุที่สร้างมาไม่สมบูรณ์ก็ได้รับในสิ่งที่ไม่สมบูรณ์นี่นี้เราเข้าใจอะไรเข้าใจกรรม เ, เข้าใจกรรมในอดีตทั้งเป็นกุศลและอกุศลนั้นเหตุในอดีตและเข้าใจผลของกรรมในปัจจุบันฉนั้นที่เราได้รับทั้งบุญและบา และในขณะเดียวกันในขณะที่เรามาฟังทำแปลว่าอะไรหนึ่งเรามาทําบุญทํากรรมนั่นเองทำกรรมทางกายทางวาจาและใจถ้าใจเราคิดในขณะ น, นี้เป็นกุศลเขาเรียกมโนสุจริตแต่ถ้าพูดออกมาเป็นวจีสุจริตถ้าทําหรือยกไม้มือเป็นตัวเหล่านั้นเป็นกา ย, ยสุจริตนั้นแสดงว่าตอนนี้เรามาทําบุญทางทางกายทางวาจาและทางใจอยู่นั้นเรามาทําบุญ ในขณะเดียวกันเมื่อเราได้เห็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาใจเราก็ขุนมัวเศร้าหมองตอนนั้นก็เป็นมโนทุจริตนั้นถ้าหากว่าเราทําเหตุแบบนี้อีกนะเช่นในขณะที่มาฟังทำเป็นต้นเนี่ยมีบาปแทรกเป็นระยะระยะเป็นต้นฉะนั้นเมื่อบาปแทรกเป็นระยะระยะเป็นต้นเหล่านี้เวลาเราไปได้รับใช่ไหมในอดีตใช่ไหมปัจจุบันเรามาทําเหตุทําเหตุในปัจจุบันเนี่ย เมื่อทําเหตุในปัจจุบันเนี่ยจะต้องได้รับผลในอนาคตถ้าเราทําใจของเราให้เป็นบาปผลบุญบุญบนบาปอย่างนี้เวลาเราไปรับผลในอนาคตเราก็จะได้ประเภทแบบเนี้ยประเภทที่รุ่มๆุ่มดนๆ ด, ดนอย่างนี้เห็นไหมว่ามันอดีตเหตุเป็นปัจจัยแก่ปัจจุบันผลไอ้ปัจจุบันไอเหตุที่เราทําใหม่ก็จะเป็นปัจจัยแก่อนาคตแต่ผลเหตุกับผลมันเชื่อมโยงกันด้วยอาการอย่างนี้ ฉะนั้นอย่าแปลกใจเลยเวลาเราจะทําบุญแต่ละครั้งบางครั้งเราก็มีบาปแทรกนั้นให้ให้เตรียมใจไว้ว่าอนาคตเราเจอแบบนี้เนี่ยอาจจะหนักกว่า น, นี้ด้วยอะไรเงี้ยนะฉะนั้งสิ่งที่เราได้รับคือสิ่งที่เราเคยเคยทําทีนี้สิ่งที่เราทําเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้ได้รับนี้พูดหมายถึงว่าเป็นตัวตนไปรับเลยนะแต่ว่าจริงๆโดยหลักการจริงๆก็คือมันเป็นสภาพแห่งการที่เปลี่ยนแปลงทุกๆขกคณะนี้มองให้เห็น ถ้าเข้าใจตรงนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ากรรมสัตตาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาที่ไปรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมที่ปัญหาก็คือว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราเห็นบุญเห็นบาปไหมไหนที่เขาถามนีคนโบราณก็จะถามว่าเออเห็นบุญเห็นบาปไหมหมายความว่าเห็นผลบุญผลบาปที่เรากําลังได้รับและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องได้รับไหมนี่ประการหนึ่งเห็นคนทําบุญทําบาป ทั้งตัวเราเองทําและบุคลรอบข้างหรือคนใกล้ชิดหรือคนรู้จักโดยทั่วๆไปกําลังทําเห็นไหมเห็นคนกําลังทําบุญทําบาปเห็นคนกําลังได้รับผลบุญผลบาปถ้าเราเห็นอย่างนี้แปลว่าหนึ่งเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรมถ้ามองเห็นคนเขาด่าเขาว่ากันเราก็ไปเครียดไปกังวลแสดงไม่เห็นถ้าเห็นก็ต้องบอกโอ้อท่านบุญนี้กําลังทําบาปถ้าเห็นเขากําลังเจริญกุศลอ้อคนท่านบุญนี้กําลังทําบุญ เห็นเขากําลังได้รับความทุกข์ความเจ็บปวดอ๋อกาลังรับผลบาปเห็นเขาประสบความสุขความเจริญบอกอ้อเขากําลังรับผลบุญถ้าตรึกหรือเข้าใจพิจารณาให้ควรอย่างนี้แปลว่ากรรมสกตาสัมมาทิฏฐิปัญญาที่ไปรู้ในเรื่องกรรมและผลของกรรมชัดทีนี้ถ้าใครยิ่งตรึกยิ่งให้ควรยิ่งพิจารณาเห็นมากขึ้นที่จริงในในกลุ่มบุคคลอื่นเวลาเขาเห็นบุคคลอื่นแล้วก็ย้อนมาตนเอง ยกตัวอย่างเช่นตูมีเหงไใคเจออุบัติเหตุเห็นกระตูมนต เ, นเนี่ยนะเราเห็นปุ๊บเนี่ยแล้วโอโ้โหใชพิจารณาอากุศลและกรรมส่งผลโอโ้หอุปคาถ้กรรมโดนเล่นงานแล้วปัญหาต้องย้อนดูตัวต้องย้อนดูตนเองเฮ้ยกรรมประเภทนี้เราเคยทําเคยแน่นอนแต่ที่ไม่ไม่ให้ส่งผลเราเพราะเราปิดคือหนึ่งไม่ประมาทสองไม่ไม่เปิดโอกาสไม่ไปสถานที่ที่มันเสี่ยงจนเกินไปนี่เราปิดโอกาสกรรมตรงนี้ มันก็รอดไปได้วันหนึ่งวันหนึ่งกันเนี่ยนี่ต้องถือว่ารอดไปได้วันวันหนึ่งนะกรรมประเภทนี้ทุกคนเคยทําไว้ทั้งนั้นแต่ว่ามันจะให้ให้ผลเมื่อไหร่เท่านั้นเองในอดีตในสังสารวัตรที่ผ่านมานะกรรมทุกชนิดที่ไม่เคยทําแทบจะไม่มีที่ไม่เคยทําอยู่กรรมเดียวแหละมรรคกรรมใช่ไหมมรรคกรรมคือการเจริญในเดียมรรคแล้วได้บรรลุไอ้กรรมประเภทนั้นยังไม่ได้ทำนอกนั้นทํามาเกลี้ยงหมดเลยทำมาหมดฉะนั้นเมื่อเรายังไม่เคยทําือโลกุตระกรรมหมายถึงกรรมที่จะทําให้หลุดพ้นจากสังสารวัตร ไม่แปลกใจเมื่อวานก่อนก็มียอมเข้ามาเขาบอกว่าเครียดมากถามเครียดเรื่องอะไรเครียดเรื่องดันเมืองเครียดเรื่องตามเมืองถามทำไมต้งเครียดเขาบอกว่าบอกโหเดือดร้อนไม่รู้จะประเทศชาติจะเป็นยังไงเขาบอก็เลยเพราะพออาจารย์ฟังอย่างฟังแล้วท่านอยู่อย่างนี้ท่านไม่รีตกกังวลไงเขาบ้านเมบ้านเมืองจะลุกเป็นไฟแล้วก็ว้าวท่เลยบอกว่าที่จริงเขาเลยก็เลยบอกบอกว่ให้วิธีคิดนี่เยอะ มบอกว่าถ้าหากเห็นคนเขากําลังจะทําอะไรก็แล้วแต่เช่นไปเขาเอะอะวายวายไปตะโกนด่ากันเนีถามว่าวิธีคิดคิดยังไงก็ต้องคิดว่าเอ๊ะวัตยกรรมคําพูดที่เขาพูดออกมาบางคนเขาบอกว่าอาหิงสาสงบสมุติเนี่ยอหิงสาเนี่ยเขแปลว่าสงบไ <c> อ <ười> ้คําว่าอาหิงสาแปลว่าสงบเนี่ยแปลว่าไงหนึ่งกายก็ต้องสงบสองวาจาก็ต้องสงบสามใจก็ต้องสงบ สงบจากอะไรสงบจากบาปแปลว่าอะไรในขณะนั้นใจต้องไม่โลภใจต้องไม่โกรธใจต้องไม่หลงวาจาที่พูดมาก็พูดด้วยความไพเราะอ่อนหวานเป็นต้นฉะนั้นถ้าหากเราเห็นคนกำลังเย้ยวเย้กันเล่นกันลุมล่ำลุ่มล่มถามว่าเขาทําบุญหรือทําบาปเห็นคนเขาทาบาปแล้วต้องคิดยังไงต้องคิดว่าเนี่ยเขากําลังทําทําบาปทีนี้คนที่ถูกด่าคนที่ถูกว่าแปลว่าแล้วเขากําลังรับผลของบาปนี่เราเริ่มเห็นกรรมแล้วไหม เริ่มเห็นกรรมเห็นผลของกรรมทีนี้คนที่ด่าที่ว่าเขาในปัจจุบันเดี๋ยวก็จะต้องไปได้รับผลของการกระทําถ้าเราพิจารณาอย่างนี้ถามว่าเราจะเดือดร้อนใจเราก็ไม่เดือดร้อนใจเพียงจะพิจารณาว่าขอให้เขาไปเ ย, ออย้าเยได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าโหกรรมอย่างนี้ถือว่ากรรมรุนแรงแล้วเพราะมันเป็นกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมมันทจุจริตตลอดเวลาแล้วก็สั่งสมวิธีคิด มีโยมอยู่คนหนึ่งก็บอกเป็นโยมก็ข้างบ้านก็ตื่นเช้าต้องรีบไปกขาถามว่าไปจะรีบไปกู้ชาติเขจะรีบไปกู้ชาติหยุดขายผ้าหยุดเลยรทุกอย่างใกล้ๆบ้านอยู่มอชวนยอมเขาโยมอีกคนหนึ่งมาชวนผกไม่ไปเขาบอกเขาบอกไม่ไปแล้วจะฟังธรรมะแ้วเขาบอกให้มาชวนชนทุกวันยมมันมาเล่าให้ฟังมันมันมาชวนทุกวันท่านเลยบอกว่าถ้าเขาเขามาชวนจะว่าไงเขาลองเรียกเขามานั่งคุยดูให้เขาพูดได้ฟังนะพูดให้ฟังเราจะไปกู้ชาติยังไงก็ถามเข้าไป พอให้เขาระบายฟังไรเบสเซนแ ล, วแล้วเราถามถามเขาไปไม่ต้องไปแสดงทัศนะเลยเขาจะฟังทัศนะของเราแล้วก็บอกเขาไปเนี่ยลักษณะอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเราตั้งตั้งสติกันแล้วก็พิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะจะเขาะ้าใจเออในในครั้งที่แล้วพูดในเรื่องของอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอบรม ก็มีสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงวิริยะสัมโพชงปีติสัมโพชงเป็นต้นเนี่ยที่บอก อ, อาสวะที่พึงละได้ด้วยการอบรมพุทธเจ้าตรัสบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะเหล่าไหนที่พึงละได้ด้วยการอบรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเจริญสติสัมโพชงอนาศัยวิเวกอนาศัยวิราคาอนาศัยนิโรธาน้อมไปโดยการสลัดออก แล้วก็จเจริญธรรมวิจยะสามโพ่อชงจเจริญวิริยส ะ, รส ะ, รระสัสมพ่อชงจเจริญปีติสัมพ่อชงเจริญปัตสัตทีสัมพ่อชงเจริญสมาธิสัมโพ่อชงแล ะ, จะเจริญอุเบขาสัมพ่อชงอันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยวิโรธาน้อมไปโดยความสลัอดออกโดยศัพท์ตรงนี้ที่บอกว่าจเจริญสติสัมโพ่อชงเป็นต้นอันอาศัยวิเวกเนะี่ยวิเวกในที่นั้นเป็นชื่อของกายวิเวกกิตตวิเวกเป็นต้นนะ ก็แปลว่าตอนนั้นน่ะจิตใจของท่านเหล่านั้นก็คือว่าน้อมไปในการที่จะอาศัยวิเวกแล้วก็อาศัยวิราคะวิราคะนั้นเป็นชื่อของอริยมรรคหมายความว่าเวลาเจริญสติสัมโพชฌงเป็นต้นเนี่ยมันเป็นเบื้องต้นจริงๆเนี่ยสตินั้นเป็นสติในเบื้องต้นในการที่เป็นสติปัฏฐานเป็นต้นเหล่านี้เนี่ยแต่น้อมอะไรน้อมสติเป็นไปเพื่อจะให้เป็นโลกุตลา เขาเรียกว่าประพฤติทำตามสมควรแก่โลภุตละธรรมคือสติเบื้องต้นเนี่ยเขาอาจจะมีกําลังน้อยยังจะน้อยๆอยู่เนี่ยแต่เขาเพิ่มคูณสตินั้นให้มากขึ้นมากขึ้นในที่สุดจริงๆนั้นสตินั้นก็เพิ่มขึ้นเป็นไปตามลําดับเมื่อเหตุปัจจัยของสติอาหารของสติมันมากขึ้นตัวสตินั้นก็จะเลิญขึ้นธรรมวิจยะสามโพชฌงวิริยะสัมโพชฌงปีติสัมโพชฌงปัสสธิสมาธิแล้วก็ อุเบกขาสัมโพชงเป็นต้นเนียก็ในในในลักษณะเดียวกันก็แปลว่าเมื่อถูกการอบรมเนี่ยเขาเรียกว่ามีอาหาร เ, เมื่อมีอาหารของเขาเนี่ยชีวิตเนี่ยอย่างย่งรู ป, ปรขันเนี่ยรู ป, ปรกายเนี่ยรู ป, ปรกายเนี่ยอาศัยอาศัยอาหารที่เราหยอดลงไปจากโอชาต่างๆอาจจะเข้าทางทาง ท, างทวารลิ้นหรืออะไรต่างๆไปแล้วแต่เยอะแยะหมด เข้าทางผิวกายเข้าโดยมากก็ผ่านทางทวารลิน้นที่ผ่านเข้าไปอาหารเนี่ยหล่อเลี้ยงทําให้รู ป, ปรกายตั้งอยู่ได้นั่นรู ป, ปรกายจะเป็นไปได้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนคู่เหวี่ยงก้มงเงยได้เป็นต้นเหล่าเนี้อาศัยอาหารอย่างเนี้ยเป็นตัวหล่อเลี้ยงนี่แปลว่าอาหารสรัพท์ทางธรรมะเขาเรียกปัจจัยนั่นจะต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้ประค่าประคองทําให้การัชกายหรือรู ป, ปรกายเนยอยู่ได้เท่าที่เป็นไปแต่ว่าการัชกายเนี่ยไม่ได้ใสศอาศัยอาหารหมายความว่าไม่ใช่อาศัยเพียงอย่างเดียวนี้ ไม่ใช่อาศัยอย่างเดียวยังจะต้องอาศัยปัจจัยอื่นด้วยเช่นนอกจากอาหารแล้วยังต้องอาศัยความเย็นและความร้อนเนี่ยเขาเรียกอุตุเนี่ยสภาพของอากาศนี่แหก็เป็นปัจจัยในการทําให้ทําให้รูปกายนี้ตั้งอยู่ได้อันนี้ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็ต้องอาศัยอาศัยนั้นถ้าหากจิตเนี่ยผู้มีวิญญาณปราศจากแล้วเนี่ยร่างกายก็ดําเนินรูปกายก็ดําเนินไปไม่ได้แสดงให้เห็นชัดเลยว่าถามว่าคนที่ตายเนี่ย แปลว่าวิญญาณคือจิตเนี่ยนะภาษาภาษาทางโลกเขาเรียกวิญญาณออกจากล่างใช่ไหมไอ้คาว่าวิญญาณก็คือจิตนั่นแหละแปลว่าจิตมันดับแล้วแล้วแล้วแล้วก็แล้วก็จิติคือถ้าจิติจิตเกิดปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าปฏิสนที่เนี่ยมันไปที่ใหม่ถามว่ามันไปที่ใหม่เนี่ยมันไปแบบไหนมันไม่ใช่ไปแบบว่าเออลอยออกจากล่างนี้แล้วไปไปเกิดอีกล่างอึ่น นไ <S an> จุดติและปฏิสนธิเนี่ยมันความเร็วยกตัวอย่างเช่นว่าเราอยู่ที่เนี่ยเราคิดถึงอเมริกาคิดถึงนึงทวีบยุโรป เ, เราแับไปเลย <S an> เห็นไหมมันไม่ต้องมีอะไรจีดกันมันจะไปทันทีเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นต้นการตายของเขาแล้วก็ไม่ไม่เห็นมีใครเห็นเลยซ้ำไป ว, วิ่งไปอย่างเราคิดถึงบ้านเนี้ยที่ปัญหาว่าก่อนตายคิดถึงอะไรบางคนคิดถึงตัวเองแล้วจะไปไหนกลับมาอยู่ในตัวเอง แต่อาศัยอีกผิดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษามาจะทําให้ร่างกายตัวเองลุกขึ้นนะเป็นเห็บเป็นเหาไหมเป็นเป็นสัตว์ต่างๆที่อาศัยร่างของตนเองเป็นนอนก็ได้เป็นอะไรต่างก็ได้อยู่ในร่างกายนะได้ไม่ได้นี่คือคิดถึ ง, นงาตางนเองเป็นเวลาตายแล้วคิดถึงตนเองเป็นนี้ถึงบอกว่าก่อนตายเนี่ยถามว่าคิดถึงอะไรจิตก็จะน้อมไปในเรื่องตรงนั้นมีพระรูปหนึ่งนะท่านท่านได้ฉันในอ้อยแล้วมันอร่อย แล้วท่านท่านวรนาภาพใจท่านหวนคิดถึงความเมล็ดอร่อยของออยท่านเกิดเป็นอะไรรึมั้ยเกิดเป็นหนอนในค้อออยนี่เห็นไหมถ้าไม่ใช่สัพพัญญุตยานเราไม่รู้เลยว่าสัตว์ว่าคนตายไปเป็นสัตติระชานะหรือที่ว่ารูปหนึ่งที่ว่าท่านคิดถึงจีวรนที่พี่สาวทำให้อย่างดีแล้วยังไม่ทันได้ใช้พอตายแล้วนึกถึงจีวรตายแล้วไปเกิดเป็นเลนนั้นเวลาเรากระปูผ้าที่นอนมันก็จะมีพวกลายฝุ่นเป็นต้นใช่ไมหมายมันมนุษย์ตายแล้วไปเกิดเป็นเลนในนั้นได้ ถ้าอย่างนี้ลองลองคิดดูดิว่าฮว่าว่าสังสารวัฏมันเป็นแบบนี้ซึ่งซึ่งหลายๆคนก็ก็คิดไม่ออกว่าเปรยเป็นได้ยังไงแต่ในคําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าพุทธเจ้าจะโกหกเราทําไมซึ่งมันไ ม, ไม่มีประโยชน์นั้นการบําเพ็ญบา ร, รมีของพระองค์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อขนสัตว์ในคําสอนเนี่ยเจตนารมของพระเจ้าคืออะไรเพื่อเพื่อขนสัตว์หรือสัตว์ออกจากสังสารวัฏ เพรเห็นว่าอะไรเพรเห็นว่าการเวียนหไหวายเกิดนี้เป็นเป็นทุกข์ประกอบไปด้วยชาติทุกข์ชาราทุกข์มรณะทุกข์แล้วก็โสกก า, าพลพีเทวทุกขะโทมณัสสัยแล้วก็อุปาญาติทุนี่เป็นอย่างทีนี้ในคําสอนต่ อ, ตอมาที่บอกว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อเจริญสติสัมโพชฌงเป็นต้นจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงอนาศัยวิเวกอาศัยวิราคาศัย น, นิโรธาโนมไปในความสลัดออกคําว่าน้อมไปในอาศัยวิเวกอาศัยวิราคาวิราคาคือเรียมะ นิโรธาก็คือเกี่ยวกับนิพานเนะี่ยน้อมไปเพื่อจะสลัดออกสลัดออกจากไหนสลัดออกจากกามปพบรูปประพบแล้วรูปประพบคือสลัดออกจากความเป็นมนุษย์เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะบริญิพานเพื่อจะไม่เกิดอีกในการสลัดออกของท่านสลัดแบบนั้นเนยไม่จะถ้าถ้าไม่บำเพ็ญไม่เจริญโพชงเหล่านี้ไม่อบรมโพชงเหล่านี้นะถามว่ามันมันมั น, ม, นมันก็ออกอยู่แล้วเช่นจากมนุษย์เป็น มนุษย์จากมน right ุษย์เป็นเทวดาจากมนุษย์เป็นพรมจากมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานจากมนุษย์เป็นเปรตจากมนุษย์เป็นอสุรกายจากมนุษย์เป็นสัตว์นรกมันก็วนมันอยู่เนีอย่างนี้ไม่เรียกว่าสลัดออกมันเพียงว่าอย่าไปเรียกว่าท่องเที่ยวนะถ้าเรียกท่องเที่ยวฟังแล้วเหมือนจะเพลินใช่ไหมบางทีเราก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ไปดูว่าสัตว์เดรัจฉานจะเป็นยังไงอเลยมันคือมันมานานแล้วมันมันสังสารวัตเป็นมาอย่างนี้มาตั้งนานซึ่งมันก็ไม่ทําให้อะไรต่างๆดี อย่างนั้นก็ไม่เรียกว่าเราจะวแ่เรียกว่าเป็นความเป็นเป็นเป็ น, ปนความทุกข์ที่จะทําให้เรานั้นท่องเที่ยวในสังสารวัฏในครั้นั้นในในคําสอนของพุทธเจ้าบอกว่าน้อมไปได้วยการเสียสลดัดดการในการสลัดออกดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่าใดพึ่งเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นผู้ไม่อบรมธรรมอันใดอันหนึ่งอาสวะและความเร่าร้อนอันกระทําความคับแค้นเหล่านั้นย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้น ผูอบรมอยู่อย่างนี้ดูก่อนพิสูุ์ทั้งหลายอาสวะเหล่านี้เราจถากพดกล่าวว่าพึงละได้ด้วยการอบรมนี่เขาเรียกอาสวะที่พึงละได้ด้วยการอบรมอบรมในที่นั้นก็คือสติสัมโพชงเป็นต้นสติสัมโพชงเป็นต้นเรื่องสติสัมโพชงก็ได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ธรรมวิทยาสัมโพชงก็ได้กล่าวกล่าวไปแล้วเป็นไปตามลําดับนี้เนี่ยทีนี้ว่าไอเหตุเกิดของสติเอาตรงนี้นิดหนึ่งเหตุเกิดของสติก็คือโยนิโสมนัิการ คือสติที่สั่งสมไว้ด้วยการปฏิบัติในครั้งก่อนๆ ก, ก็จะอํานวยให้เกิดในสติในโอกาสต่ตอมาเพราะว่ากุศลในอดีตหมายความว่าเวลาเจริญสติสัมโพชงเป็นต้นในการเจริญการอบรมนี่นะี่ก็คือการการที่มีสติเกิดขึ้นนะแล้วก็รู้ชัดตามทามเป็นจริงเนะี่ยในการที่กําหนดทีนี้พอสติเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะสติที่สะสมก็เรียกว่าอบรมสติเพิ่มพูนสติ ในการเจริญกายานุปัสนาเวทนานุปัสนาจิตานุปัสนาแล้วก็ธรรมานุปัสนาก็พูดถึงตรงเนี้ยพี่คนโยมท่านหนึ่งเขาถามเขาบอกเขาก็อายุมากแล้วอายุหกสิบกว่าแล้วเขาก็ได้ยินบอกว่าเราจะปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยหมวดเขาทักออแกก็ถามว่าในสติปัฏฐานสี่เนี่ยเราจะเจริญบับใดบับหนึ่งหรือมีคนบอกท่านว่า หยิบมันสักบับบับได้บับหนึ่งก็เป็นบัจเจก็าสามารถบรรลุได้เช่นในียาบทบับเนี่ยก็พิจารณายืนเดินนั่งนอนก็บรรลุได้จริงไหมถามนี่แล้วอาจารย์ก็เลยบอกว่าคือหยิบมาบับเดียวแล้วมาปฏิบัติเลยแล้วก็บรรลุได้แล้วในหลักในหลักสติปัฏฐานสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสว่าพอตัดียาบทบับครบเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะบอกว่าภิกษุที่เจริญียาบทบับเนี่ยที่บรรลุนั้น นั้นกลุ่มหนึ่งใช่ไหมกลุ่มหนึ่งแล้วก็ว่าไปตามทีนี้ตอนตอ น, ตอนท้ายของมสุตรตอนแรกๆของสูตรมุ่ยเจ้าว่าเขาแยากอะไรหนึ่งตัณหาจริตสองทิฏฐิจริตตัณหาจริตมีสองประเภทหนึ่งตัณหาจริตปัญญาอ่อนกับตัณหาจริตปัญญากล้าทิฏฐิจริรรตก็มีรรยอรร ย, อรร ย, รรยู่สองคือทิฏฐิจริตปัญญาอ่อนกับทิฏฐิจริตปัญญากล้านั้นกลุ่มที่ตัณหาจริตปัญญาอ่อนเจริญอะไรเจริญอาณาบาลบัอิฏยาบทบ สัมปชัญญบัพเป็นต้นในกายะกายยะบัพพาจะมีทั้งหมดสิบสี่แบบคำว่าอ่อนในที่นั้นไม่ใช่ว่าเหมือนไม่รู้เรื่องรู้ราวเนะี่ยไม่ใช่เนะแต่หมายความว่าเป็นปัญญาที่ยังไม่ละเอียดยังห ย, ยาบๆถ้าจเจริญกลุ่มเหล่านี้ก็จะเหมาะแค่อัตยาศัยพระองค์ก็สอนนั้นกลุ่มส่วนทิฏฐิจรลิต ป, ปัญญากล้าหน่อยปัญญามกล้าหน่อยเออือไม่ใช่ถนหาจริฐ ป, ปัญญาค่ะพระองค์กระทรวงสอนเวทนานุปัสนาคือเอาเก้าบัพ สุขเวทนาทุกเวทนาและอทุกขมสุขเวทนานิสอนถ้าทิฏฐิจริตปัญญาอ่อนก็เจริญจิตตานุปัสสนาจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะเป็นต้นถ้าหาว่าทิฏฐิจริตปัญญากล้าพระองค์ก็สอนธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานคือพิจารณาขันห้าพิจารณานิวรพิจารณาโพชฌงเป็นต้นเนี่ยอันนี้กลุ่ ม, ก ล, มกลุ่มพวก นักคิดนักวิจัยใช่ไหมชอบคิดชอบชอบะไรต่างๆไปมากเขาจะเจริญกลุ่มเจริญสติสัมโพชงธรรมาวิจยยสัมโพชงเป็นต้นเหาเนี้ยแต่ในขณะเดียวกันสมมุติว่าเจริญอานาปนสติจริงๆเนี่ยเราจะเอาสติมาเจริญแล้วดูสติไปด้วยสมมติก็ชื่อว่าเจริญสติสัมโพชงทั้นคําสอนเนี่ยจะเชื่อมกันหมดแต่ปัญหาก็คือว่าเมื่อกลุ่มไหนกลุ่มไหนเนี่ยอธยาศัยเป็นอย่างไรพระองค์ก็ให้กรรมฐานก็เลยย้อนถามว่าแล้วยมรู้ไหมว่าตนเองจะหลุดเลยใช่ไหม ที่บอกเอาบาปได้แบาปหนึ่งก็บรรลุได้เลยเนี่ยไม่ต้องไปอะไรเนี่ยถามไปแล้วเรารู้ไหมว่าเราเร า, เราเราเฉลี่ยอะไรบอกไม่รู้นั่นไงคือปัญหาว่าทําไมต้องฟังคำสอนให้เขาจัดมันไม่มันมียอมอีกคนนึงบอกว่าอยากจะรู้ฟั้วแล้วบรรลุเลยเนีย <c oughs> <c oughs> บอกโอ้ตายแกเป็นนักธุร ก, กิจแกคิดเชื่อความคิดทั้งแกแกบอมันดูเหมือนไม่ยากอะไรเลยเหมือนไม่ยากแต่แกชอบงานทังโค้งเตะไม่ยากเลยไงยากใช่ไหม ออกงานทุกวันทุกวันงั้นเหตุที่จะเพิ่มพูนสติก็คือว่าเจริญสติสัมปชัญญะอยู่เสมอหลีกเลี่ยงบุคคลที่ไม่เจริญสติข้อหาบุคคลที่เจริญสติก็น้อมใจในการเจริญสติอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เป็นเป็นองค์ประกอบแห่งการที่จะทําให้สติสัมพุทโธชงเกิดขึ้นในอัตถกถาทีนขยายไว้ลักษณะอย่างนี้ก็คือ คำเจริญสติสัมปชัญญะเสมออย่างที่บอกเริ่มตั้งแต่กรรมสกตาสัมมาทิฏฐิในี่งพิจารณาดูสิยามาจยาถ้าพิจรารณากรรมผลของกรรมเห็นอย่างเนี้ยอันนี้เป็นการเจริญสติสัมปชัญญะอยู่เสมอเสมอเนี่ยมีสติในการที่ลึกแล้วก็หลีกเลี่ยงเอ๊ ก, กลุ่มบุคคลที่เวลาไปสนทนาไปคบหาด้วยเขาไม่ได้น้อมจิตในการที่จะเจริญสติแบบเนี้ยถ้าไปยิ่งไปคบมากๆเร า, าเสียคนเลยเนะ เราไปครบกับบุคคลที่เขาคุยแบบเล่นๆทั่วๆไปตรงนั่งคุยกันที่วดัดนึงเสียหายไปเลยกลับมามานั่งทุกข์มเนี่ยแล้วแล้วมันมันก็จะมีเรื่องทั่วๆไปนั่งคุยนั่งอะไรกันสารพัดข้หาบุคคลที่เจริญสติ ก็หาเจอหน้ากันก็เจริญบัพไหนเจริญกรรมฐานหมวดไหนแต่กลุ่มพวกเรา น, น, นี้เข้าไปคบเข้าไปคุยบ่อยๆแล้วก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการเจริญสติเมื่อเราได้คําสอนลงมากนม็น้อมน้อมในการที่จะเจริญสติให้ยิ่งขึ้นไปประการต่อมาก็มาสรุปตรงที่ว่าธรรมวิทยาสัมโพชม น, นี่คือปัญญาเนี่ยก็เหตุหรืออาหารหรือปัจจัยที่จะทำให้ปัญญาเกิดขึ้นก็สอบถาม สอบถามในเรื่องของขันในเรื่องของอายตนะในเรื่องของธาตุเรื่องสัจจะเรื่องสมถะเรื่องวิปัสนาเรื่องอินทรีย์เป็นต้นเรื่องปฏิจจสมุปบาทสอบถามเจรนากันก็ถามเรื่องขันห<ม>้าใช่ไหมเออเข้าใจรูปประขันไม่เวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันวิญญาณนะขันก็ไปสอบถามกันอย่างนี้เออรูปประขันเนี่ยเกิดด้วยอาการเท่าไหร่ดับด้วยอาการเท่าไหร่ใช่ไหมเหตุเกิดของรูปประขันมีอะไรเนี่ยเหตุเกิดของเวทนาขันสัญญาขันสังขารลขันละวิญญาณขัน ก็หมายความว่าเออนี่ยรูปากายของเราเนี่ยรูปากายที่มันเกิดมาได้เนี่ยมีเหตุไหมมีเหตุอันแรกที่เห็นง่ายๆก็คืออาหารไงใช่ไหมนี่เหตุเกิดเอาแล้วรูปากายแต่มีเฉพาะอาหารอย่างเดียวเท่านั้นหรือเปล่าเหตุแ น, น่ดีหรอเอาวิชาไงเหยพราะเหตุนี่เหตุผลเพราะละเอาวิชาไม่ได้เราจะมีรูปากายเกิดปัจจุบันเนี่ยเอาทําไมถึงชอบไ อ, อตัณหาไงใช่ไหมเพราะมีตัณหาไงเอาเอาวิชาตัณหา แล้วอะไรเราทําให้รูปกายเกิดขึ้นในปัจจุบันเอากรรมไงทำไมเอวิชาตัณหากรรมเนี่ยอันนั้นเป็นเหตุแน่ดีด ท, ทาให้รูปกายรูปกายประกอบไปด้วยเลยจากขรุประสตรเนี่ยโสตประสาทตาประสาทหูประศาทจมูกประสาสกาประศาทลิ้นประสาสกายใช่ตลอดถึงหัตยา ในกลุ่มของรู ป, ปรกายทั้งหลายที่ประกอบไปได้วยดินน้ำไฟลมต่างๆเป็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเป็นต้นนี้ส่วนของเป็นผลของกรรมเนี่ยนะเนี่ยลักษณะอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นเหตุเกิดของรู ป, ปรกายนี่เหตุเกิดของรู ป, ปรกายเนี่ยถามว่าแล้วปัจจุบันน่ะปัจจุบันก็อาหารอาหารที่เราหยอดเข้าไปเนี่ยอาศัยเหตุในอดีตแล้วพอไหมไม่พอใช่ไหมเช่นว่าโอ้เราทํากรรมมาดีแล้วไม่ใช่ไม่เอาเหตุปัจจุบันในร่างกายมัจะอยู่ได้ด้วยกรรมในอดีตอย่างเดียวไม่ใช่เลย ต้องมางมาให้เหตุในปัจจุบันด้วยเอาอาหารหยอดด้วยนี่เงื่อนไขของการเกิดเป็นมนุษย์เป็นอย่างนี้แต่ตั้งเงื่อนไขการเกิดเป็นพรหมเนี่ยไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจุบันคือไม่ต้องหยอดอาหารเข้าไปร่างกายเขาอยู่ได้เห็นไหมว่าเงื่อนไขตามพบพรหมต่างๆก็ต่างกันอย่างครับสมมติไม่เกิดเป็นเปรตเนี่ยไม่ต้องหยอดอาหารเขาอยู่ได้อยู่ได้หรือสัตว์นรกเ่ยไม่ต้องหยอดอาหารอยู่ได้แต่เปรตเนี่ยไม่ได้หยอดอาหารแต่อยากกินอาหารใจแทบขาดนะแต่มันไม่มีจะกิน เคยอยู่แบบหิวอะ่ะโอ้โหถ้าถ้าใครเคยเป็นถ้าใครเคยเป็นโรคไตจะรู้นี่ไม่เคยเป็นแบบหนักๆจะรู้ว่าเปรตหิวยังไงไม่จะรู้แบบตอนที่กินน้ําไม่ได้เลยต้องไปถามทุกคนดูสิหิวใจเท้าขาดไอ้น้ำไม่ได้ตัวนี้นั่นหมดแล้วมันมันมันเหมือนเหมือนเปรตไปเรื่อยอะ่ะเพราะข่อยรู้ไหมว่าเหมือนในใบรรยศาสตร์ไปเรื่อยเลย นั้นอย่าแปลว่าในมนุษย์มันก็เห็นกันอยู่อะจริงๆเพราะอะไรนี่โทษอย่างนั้นว่าจริงๆแล้วบางทีบางเนี้ยถ้าเงื่อนไขเงื่อนไขบางเงื่อนไขเนี่ยมั น, มนหมายความว่ า, วาถ้าเป็นสัตว์นรกเนี่ยหมดสิทธิ์เลยพวกนี้อยู่ได้ด้วยกรรมมันเหมือนจะดีใช่ไหมแต่มันไม่ดีแต่ถ้าหากกลุ่มของพรหมนะพวครูประพรมนะหนึ่งไม่มีความกังวลกังวายในเรื่องอาหารก็เบื่อเลย เขาเห็นแล้วเขามันมันไม่มีสาระเขาหนึ่งหนึ่งประสาทลิ้นเขาไม่มีแต่แปลกประสาทลิ้นไม่มีเนี่ยเขาไม่เป็นอมภาท์ใช่ไหมประสาทลิ้นเนี่ยชิวหาประสาทเนี่ยกับกายประสาทเป็นคนละส่วนกันนะคนที่เป็นอมภาทนั้นคือกายประสาทใช่ไหมกายประสาทแต่ว่าจะพรมเนี่ยกายประสาทก็ไม่มีชิวหาประสาทก็ไม่มีเพราะว่าเขาไม่ไม่มีความจําเป็นอนกันแต่ว่าเขามีลิ้นไว้พูดไว้สนทนาไว้ พูดตรงนี้ก็วิศวารู้สึกมันเป็นพรมดีใช่งไหมฮพรมเนี่ ย, เ, ยเขามีเขามีที่เข้าเห็นประโยชน์อยู่สองทาวารเลยสามทวารเท่านั้นเองทาวารตาทาวารหูกับทาวารใจทาวารจมูกนะทาวารลิ้นทาวารกายก็ไม่เห็นประโยชน์เลยเขาไม่เห็นประโยชน์ทําไมถึงไม่เห็นประโยชน์ทวารจมูกดอมกลิ่นได้ประโยชน์เลยใชไม่ได้ประโยชน์เนี่ถ้าบอกเอ๊ะรับพรมก็ไม่หายใจใช้าาลมไม่ต้องหายใจใช่ไหมโดยเงื่อนไขของเขานเานี่ไม่ต้องหายใจเลยเนี่ย ถ้าเขาพูดอย่างนี้มาปุ๊บเนี่ยนักวิทยาศาสตร์จาของก็พึงกันแล้วโวยตายแล้วมีด้วยหรือสัตว์ประเภทนี้มันมีอยู่ไม่ใช่ไม่มีังนั้นสบายเลยใช่ไหมจะขึ้นที่สูงยังไงก็ไม่ต้องอาศัยอากาศลงลึกใต้ดินยังไงก็ไม่ต้องอาศัยอากาศอย่างเราลงขึ้นที่ตงสูงต้องหาออกซิเจนช่วยแล้วอยาา่ญญาองนี้กกลับไว่พอใช่ไหมเนี่ยลักษณะอย่างนี้ตามเงื่อนที่จริงเป็นไปตามเงื่อนไขของกรรมคนที่กุศลกรรมเขาประณีสุดๆเนี่ยเขาไม่มีลมหายใ่ ไอ้ที่บอกไม่มีลมหายใจเนี่ยมนุษย์ก็ทําได้นะทำได้ยกตัวอย่างเช่นจเจริญอานาปนาสติไปเรื่อยๆแ ล, แล้วในที่สุดจริงๆหรือจเจริญกรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งไปเรื่อยๆในที่สุดจริงเขาบรรลุแทงตลอดสัจจะหรือว่าไม่ต้องอะไรหรอกได้เจตุตตะชานจเจริญานาปนาสตินี่ก็ได้จเจริญใปจเจริญใบปฐมฌ า, านายังมีลมหายใจอยู่เนียแต่ออทูติยชานตัิทีชา น, ชา น, ชานก็ยังอ่อนลมหายใจละเอียดมากพอเข้าเจตุตตะชานลมหยายใจดับ พ่ออะไรรู้ไหมการยสังขารดับไหมเพราะว่าปฐมฌานเนี่ยวจีสังขารเนี่ยดับคือเกี่ยวกับไสังขารนี่เป็นปัจจัยปรุงแต่งวาจาเนี่ยดับวิตกะ่ะคนเราจะพูดได้เพราะมีวิตกเนียทีนี้พอเข้าเจตุตัชฌานพบเนี่ลมหยายใจก็ดับให้เป็นมนุษย์ยังดับได้เลยแต่ถ้าออกมาก็หายใจต่อนี่จะหมายความว่าอยู่ในสมาบัติอยู่ในฌานถ้าเข้านิโรธสมาบัติก็ดับ แต่เพราเอินพวกเราทั้งหลายยังดับตรงนั้นกันไม่ได้ก็เลยังไม่อยากจะรู้ว่าดับยังทีนี้แต่ถ้าเห็นไหมพอไปเกิดเป็นพรหมเนี่ยด้วยการเขาเจริญสมาบัติเขาไม่ต้องอาศัยลมหายใจแล้วก็กายภาษาชิวหาภาษาไม่เขาไม่เห็นประโยชน์ตรงนี้นี่นีเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเงื่อนไขบางพบเนี่ยอย่าว่าแต่อย่าว่าแต่กายเลยกายเขาก็ไม่เอาเห็นไหมถ้าอารมณพรหมเนี่ยไม่เอาเลย ไม่เอารูปขันไม่เอารูปากายทั้งหมดเลยเอาแต่นมามขันคือเอาแต่จิตเท่เจตสิกซึ่งตรงนี้เราบอกวเอ๊ะมีได้ยังไงใช่ไหมสัตว์ประเภทนี้แต่มีอยู่คําเหล่านี้เราเคยทํามาหมดเลยอันนี้มาเอาอาดีตมานั่งเล่ากันนะเนี่ยเที่ยงหว่าเอกรรมเหล่านี้เราเคยทําและเราเคยได้มาเพ่อพูดตรงนี้ยอมพี่ ง, งงเลยใช่ไหมเพราะเราพูดพวกนี้มันระลึกไม่ได้นะแต่ที่พูดเนี่ยพูดตามคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่พูกพูดไประลึกได้ไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้ า, ากล่าวอย่างนั้น แต่มาพิจารณาเหตุผลว่าไม่แปลที่บอกว่าไม่มีกรคำไหนที่เราไม่เคยทํายกเว้นมรรคกรรมบางพบบางชาติก็ทําปนาดีบาตัดทินนาทานทำไปเยอะแยะหมดครับ ก, ก็ก็เป็นอย่างนี้เแต่ว่าพอพิจารณาอย่างนี้แล้วหลายๆท่านก็ก็อุ้ยน่าเบื่อน่าเพราะอะไรรู้ไหมของที่เราเคยเคยต้องการอยากจะไปดูอยากจะไปเห็นคือสิ่งที่เราเคยทํามาหมดแล้วแล้วเราก็แสวงหาเรามีตาบางทีอยากจะไปเที่ยวชมที่นู่นอยากไปดูที่นี่ใช่ไหมเราใช้จักขุ ทวารเราใช้ทว า, anta, าうう u, รตามทวารหนูทวารอยเงี้ยาใช้ใช้มันพังมาไม่รู้กี่แสนดวงแล้วกี่ล้านดวงแล้วไอ้ตาดวงตาเนี่ยพอพังไปแล้วความอยากดูมันก็ยังไม่หมดความอยากฟังมันก็ยังไม่หมดความอยากดมมันก็ยังไม่หมดความอยากกินก็ยังไม่หมดความความอยากสัมผัสมันก็ยังไม่หมดความอยากจะคิดอะไรเพลินๆให้สบายใจมันก็ไม่ยอมหมดไอ้ตัวตัณหาเนี่ยมันหลอกอย่างนี้ไงเขาใช้มันมานี่มานตัณหาเป็นมานมันก็หลอกเรา หลอกไปเสร็จจนไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเอาก็ทิ้งร่างนี้ก็ไปหาร่างใหม่ถ้าทิ้งขันนี้ก็ไปหาขันใหม่ทิ้งขันของมนุษย์ก็ไปขันของมนุษย์ก็ได้แย่กว่าเดิมสูงกว่าเดิมหรือเป็นเปรตอสุรกายสัตว์ในสัจาสัตว์นรกหรือเทวดาพวกมก็เป็นนี้ตันหามันก็หลอกเราอยู่นี่มันก็เชื่อมเชื่อมพบต่อพบมันไปนี่เขาเรียกว่านี้ ฉะนั้นการสอบถามในเรื่องของขันในเรื่องของอยายทานะในเรื่องของสัจจะอินทร์ปฏิจจในเรื่องของสมถะในวิปัสนาเป็นต้นอันนี้เป็นเหตุเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูิธรรมวิทยาสมบูชประการที่สองก็คือชําระร่างกายให้สะอาดคนจะเจริญปัญญาได้ต้อง ต, งต้องเป็นคนสะอาดถ้าเป็นพระก็คือพวกเล็บเอยผมเอยฟันเอยอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ของใช้ต่างๆ ของใช้ที่เกี่ยวกับตนเองจะต้องอยู่สถานที่เออ ย, ยีวรนเครื่องนุ่งี่มต่างๆเหล่านี้เป็นเหตุปัจจัยทําให้เกิดปัญญาแล้วก็ปรับอินทรีย์ห้าดังที่ได้กล่าวเนี่ยศรัทธากับปัญญาที่จริงที่จริงถ้าศรัทธานะสมมติศรัทธาอ่อนศรัทธาน้อยนี่นะวิริยะสติสมาธิปัญญาแปรปวนหมดเลยถ้าวิริยะเหมือนกันถ้ามันอ่อนหรือมันอะไรเกิดไปเนี่ยมันก็ ไอ้อินทรีย์ที่เหลือก็แปลพวนจนถึงปัญญาปัญญินทรีย์หรือปัญญาเหมือนกันฉะนั้นศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญาเนี่ยถามว่าเหตุปัจจัยตรงนี้มีมาครบมันเหมือนว่าเออเรามีมาหมดแล้วศรัทธาก็มีวิริยาสติสมาธิปัญญาก็มีเนี่ยแต่เราไม่เคยมานั่งเรียนกันเนี่ยไม่เคยมาเอามาปรับไอ้ปัญญากับศรัทธาจะให้สมดุลกันยังไงวิริยากับสมาธิจะให้สมดุลกันยังไงเอาสติเป็นประธานยังไงเนี่ย เราไม่ได้มานั่งปรับใช่หไหมอันไหนมันน้อยเพิ่มอันไหนมันมากลดเนี่ยเราไม่เคยมาปรับอย่างนี้บางทีมองไม่ออกไม่รู้อะไรตรัวไหนมากใช่ไหมใช่พอไม่ได้มาปรับตรงเนี้ยมันก็ไม่ไม่เจริญมันเหมือนรถเนี่ยนะรถสี่ล้อบางทีเราปรับปรับความสมดุลมันไม่ได้แค่ยางเนี่ยนะยางมันเกิดมันเล็กข้างใหญ่ข้างมีปัญหาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเอายางหน้ามาใส่ยางหลังยางหลังไปใส่ยางหน้ายังมีปัญหาอยูอย่นี่การการปรับไม่สมดุลกั น, นี่ การการเดินทางไม่สุดวกที่การจะพ้นจากวัฏฏุทกได้เขาบอกหนึ่งการปรับอินทรีย์นั้นสําคัญหลีกเลี่ยงคนที่ไม่มีปัญญาหลีกเลี่ยงพวกไหนหลีกเลี่ยงคนที่ไม่คุยกันในเรื่องของขันในเรื่องของอายตนะในเรื่องของธาตุในเรื่องของสัจจะในเรื่องของอินทรีย์ในเรื่องของปฏิจจสุบาทในเรื่องสมถะในเรื่องของวิปัสสนางนั้นเวลาเจอหน้าบุคคลอื่นเขาจะคุยกันถามในเเดียวๆถามว่า นี่จะคุยเรื่องอะไรเรื่องขังเรื่องท่าเรื่องอาญตนะเรื่องสีรษะเรื่องยินรียเรื่องบัจจาเรื่องสมถาวิปัสนาธรรมพวกนี้เนีถ้าออกไม่ไม่ได้คุยเรื่องนี้เลยงั้นไม่ออกพอกทำไมพระเจ้าบอกให้หลีกเลี่ยงคนแบบนี้เข้าไปอย่างนั้นเน่ยเขียนเขียนติดเลยถ้าใครจะมาคุยกับเราคุยเรื่องพวกนี้ได้ห้ามคุยถ้าทําอย่างนี้ได้ปัญญาจะเกิดเยมพิษเริ่มแต่วันนี้เลยนะเข้าไป๋ย่าตั้งท่านานนะใช่ไหมต้อง อ๋อก็คือว่าเออถ้าคนเขาไม่ได้สนทนากันในเรื่องของขันห้นาอายตนะสิบสองท่าสิบแปดอินทรีย์แล้วก็สัจจปฏิจจหรือว่าในเรื่องของสมถะในเรื่องของวิปัสสนาถ้าคุยกันเรื่องทานศีลภาวนาเออขอคุยด้วยอะไรอย่างงี้ยเห็นไหอย่างงี้คนไปเหนนี้ไม่ควรหลีกเลี่ยงแต่เขาไปคุยกันเรื่องอะไรกันรู้เออวันนี้จะไปยิงนกตกพาจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต จะไปหาตากันที่ไหนตรงนั้นเร่งด่างคุยเรื่องหลีกเรื่องคนประเภทนี้เพราะใจเราจะน้อมไปถึงนั้นนี่ยข้าวหนัข้ามันไม่ก่อให้เกิดปัญญาถ้าก็คุยกรรมคุยผลของกรรมคุยเรื่องคนนั้นประสบความทุกข์เพราะอะไรหน้าเร่งด่างแล้วก็คุยละมันคือคุยทุกเรื่องก็ให้สอดคล้องกับคําสอนไม่ใช่ว่าโอ้โหจะต้องเข่งจนประเภทที่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ใช่งั้นที่ที่พูดหมายความว่าเถ้าคุยอะไรเราหลับ ปรับลงสู่คำสอนเช่นเขาคุยการเมืองสมุดนี่เนี่ยในยกมีการเมืองฟื้งฟูงงงงมากไม่ว่าไปที่ไหนพระก็คุยยอมก็คุยที่จริงพระก็ห้ามคุยถ้าคุยพบเนี่ยเราก็ปรับลงสู่ในเรื่องของกรรมผลของกรรมเราก็บอกว่าประเทศใดบ้านใดเมืองใดที่เกิดความเดือดร้อนทุกหัวและแห่งมันบ่งบอกถึงว่าคนมีบุญที่อยู่ในประเทศนั้นในบ้านนั้นในเมืองนั้นมันมีน้อยใช่ไหมหรือคนที่ระดับ จะสูงขนาดไหนก็แล้วแต่ที่จะมาอาถรรพ์มาเป็นผู้ปกครองอะไรทั้งหลายเนี่ยบุญบุญน้อยเพราะบุญน้อยเนี่ยมันก็เกิดความเดือดร้อนไหมสมัยก่อนเนี่ยพระเจ้าบอกว่านักปกครองเนี่ยต้องประกอบไปด้วยโทษสพิรราชธรรมนะธรรมของนักปกครองก็ไล่ไปตามดับ10 ป, ประการในจกักรวรรดิสูตรทีนี้บุคคลที่ไปเป็นใหญ่เป็นต้นเนี่ยไม่มีโทษสพิรราชธรรมเป็นต้นหรือว่ามีก็ดีอาจจะมีเนี่ยแต่บุญเก่า ที่ท่านสั่งสมมาอาจจะไม่ไม่ไมันมันก็จะเดือดร้อนอย่างนี้เป็นต้นเขมาพิจารณาและอีกอย่างถึงแม้ว่าคนที่อยู่บนนั้นมีบุญดีแต่อนาบัชราภาเป็นมิจฉาทิถีเป็นส่วนมากเสมัยนี้คือเห็นผิดเป็นส่วนมากก็ก็เป็นพอพิจารณาโอ้เนี่ยเห็นกรรมอันนี้มันเป็นกรรมร่วมกัน เหตุปัจจัยที่เราสัะสมมาร่วมกันเนะียจึงมาเกิดเป็นโนไทยเป็นครับ่มันได้แค่นี้ใช่ไหมอันนี้มองโดยภาพโดยรวมนะมองโดยภาพโดยรวมว่าโอ้เป็นอย่างนี้นี่จึงบอกว่าในเกิดมาในยุคเนี้ยให้พอพิจารณ า, าแบบเแบบ็เสร็จเนี้คุยเรื่องอะไรแต่เราน้อมลงสู่ในเรื่องกรรมแล้วก็พิจารณาว่าสัตว์ทั้งหลายมีความเป็นกำเนิดมีความเป็นเผ่าพันธุ์มีความเป็นที่พึ่งอาศัยทํากรรมได้ไว้ดีหรือชัว่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรม อะไรต่างๆแล้วผลของกรรมกําลังทํากรรมกันอยู่ก็ไม่แปลกใจใช่ไหมถ้าไปคุยว่าเอ๊ะใครน่าจะชนะแต่มันมีเหมือนกันนะมันมีมันมีมันมีเรื่องเหมือนกันมันมีเรื่องที่ที่บางทีพระคุยกั น, นหรือบางทีก็โยมคุยอะไรเนี่ยมีคนคนหนึ่งไปได้ยินพบแล้วก็สามารถเอาเป็นเป็นเหตุแห่งการที่ว่ามาทําให้ตนเองเกิดปัญญาขึ้นอย่างนี้กัน ในการหลีกเลี่ยงเนี่ยนะก็คือว่าคนที่เขาไม่ได้สนทนาเกี่ยวกัเรื่องของคําสอนเป็นต้นอะไ น, นี่เขาเขาหลีกเลี่ยงหรือว่าไม่ได้พิจารณาอะไรที่เป็นไปตามความเป็นจริงเขาพาบุคคลผู้มีปัญญาแล้วก็พิจารณาอย่างลึกซึ้งไอตรงเนี้ยดังที่ได้กล่าวพิจารณากรรมเนี่ยแถ้าพิจารณากรรมผลของกรรมดังที่ได้กล่าวไว้แต่ต้นๆเนี่ยอันนี้ถือว่าลึกไม่ลึกระดับต้นๆเนีฉะนั้นเห็นว่าว่าหนึ่งเราได้สร้างเหตุดีและไม่ดีไว้ในปัจจุบันเราจึงรับดีและไม่ดี เราทำกรรมดํากรรมขาวค่าเขากันใช่ไหมในอะดีตผลเราก็เลยได้รับผลของกรรมดำําผลของกรรมขาวค่าเข า, ขาบางวันก็สุขบางทีอยู่ดีๆมีคนดา่ทาทั้ครั้งแมเ่เราก็โกรธใหญ่ใช่ไหมบอกโกรธแช่ไหมใช่อยู่ดีๆเนี่ยพวกว่าเราที่เราไม่ได้ทําให้เปื้อนให้เปื้เปื้อนอะไรเลยอยู่ดีก็เขาว่าเราอน่ยมาทําให้เปื้อนทําไมถึงโอ้โหเราก็เถียงก็เป็นเรนเลยใช่ไหม อที่เขาว่าเราเนี่ยนะ ม, มันเพาะเหตในอดีตจะเป็นอดีตในพบนี้ก็ได้อดีตพ้ผ่านมาก็ได้ใช่ไหมเราเคยทําไว้เราจึงถูกว่าแต่ถ้าเราด่ากลับเนี่ยอะย่งน้เราด่ากลับว่ากลับเนี่ยเรามาสร้างเหตุใหม่ดังที่เคยกล่าวว่าท่านพระพระลาหุนตอนสมัยเป็นเนรเนี่ยลาหุนนี่เป็นพรท่านราหุนเป็นเนรเนี่ยแปลว่ายุติเจ็ดแปดขวบนี่นะใช่ไหมเขาทดลองอยังไงรู้ไหม พระพิสุสามมาเนรก็เห็นเนรสัมาเนรลาหุ่นเดินมาแต่ไกลๆเนี่ยพอเดินมาแต่ไกลพบเนี่ยเขาทดลองเด็กเขาทดลองไงเอ้ขาโยนโยนในโยนในที่กวาดไม้กวาดเนี่ยโยนทิ้งไปทั่วพอย้อนไปทั่วไปเสร็จพอท่านเดินมาใกล้ๆท่านบอกเอ้นเนรนัเนี่ยทาไมทิ้งไม้กวาดไปทั่วเนี่ยถ้าอย่างเราในเถียงเลยใช่ไหมพี่พึ่งมาทิ้งได้ยังไงเล่าท่านบอกว่าขอโทษขอโทษครับ ที่ทําให้่พระคุณเจ้าเกิดเกิดเกิดความไม่สบายใจอันนี้ยังเป็นบริโภชนนะไม่ใช่ว่าหูเอาปฏิปทาพระ ญ, ญาติมาพูดตอนนั้นยังไม่ได้บรรลุเนี่ยเอาถ้าหากว่ามีใครมาทํากับเราแบบเนี้ยกลับไปบ้านเลอะเต็มบ้านแล้วก็มีการชี้หน้าบอกเอ็มมาก็ไม่ยอมล้างมันทำเลอะเทอะเราจะคิดยังไงจะคิดเป็นไห ม, ค, ไหมคิดแบบท่านละหุนคิดคิดเป็นไหมนะ เราบบางทีไม่ต้องมีใครว่าแต่เราก็ไปทํำมันกันใช่ไหมแต่ทําไปเรานึกด่าไปไหมนึกตําหนิไหมที่จริงวิธีคิดก็น้องคิดยังไงโอเป็นอาโกเสลกรรมของเราจริงเมื่ี้เราได้มาเจอสิ่งที่ไม่งามใช่ไหมแล้วก็ใส่ใจถูกแล้วก็ทำโอ้ต่อไปไม่ทําอีกแล้วให้กรมประเภทประเภทที่ชอบทําเปิดเละเธอให้คนอื่นก็าําคาญใจเนี่ยเราก็เจอสิ่งที่ไม่ลาคาญใจก็คิดอย่เข้าใจอย่างเดียถ้าถ้าคิดอย่างนี้ก็จะคิดถูกแต่ถามว่ามีใครได้คิดแบบนี้บ้าง เราไปนั่งถามถามเ้าหาว่าเราเนี่เป็นคนยอมแพ้เขาในชีวิตแบบไม่ใช่ไม่ใช่แท้จริงมันไม่ใช่เลยถ้าคิดอย่างนี้เขาเราียกเรากำลังจะสร้างเหตุให้ดีต่อไปเข็ดและหเหียดที่มันไม่ดีเนี่ยกลับมาไปที่บ้านก็ลำคาอันใจไปที่ไหนก็ลาคาญใจมันไม่แม้ไปที่ไหนก็ได้สิ่งได้รับสิ่งที่ไม่ค่อยดีเลยอ่ะอันนี้ก็อันเนี้ยมันมาจากเหตุที่ไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วยิ่งนะสมมตินะเราไปนั่งนั่งรถคันหนึ่ง กับคนที่ทําบาปไว้มากๆในอดีตแล้วเราก็ทําประเภทดีกับไม่ดีมันกึ่งๆึ่งกันเนี่ยเราไปรวมเราแย่เลยรู้เปล่าเนี่ยพระเจ้าบอกเนี่ยการไปเสวนาคนเป็นถ้าอากุศลกรรมหนั ก, นกๆมันส่งผลคนนั้นเราไม่เจ็บก็้างเหลืองอ่ะเอเราไม่ตายก็ค้างเหลืองก็ยังอย่างนเนี้ยเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยบางครั้งเนี่ยไอ้ไอพลอยฟ้าพลอยผลเนี่ยคนบางคนที่ว่าไปเที่ยว ง, งานชอบเที่ยวกลางคืนชอบดูการละเล่นเนี่ยบางทีก็ไปเดินลูกหลงมาไม่แย่เลยเป็นคําประเภทอย่างนี้ คือเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่เขาสร้างบาปเยอะๆเนี่ยและผลบาปก็พอจะส่งผลให้เขาสมมุติว่าไอ้คนคนี้จะต้องตายเพราะระเบิดเราก็ไปนั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆเขาคนคนนี้เราอาจไม่ตายเลยแล้วเราก็หสะเทือนเจ็บปวดเพราะเราก็ได้คำคำประเภทที่ประเภทอย่างนี้มาแ ล, แล้วแล้วไปอยู่ในที่ที่ไม่เหมาะนั้นถ้าหากคนบางคนเขาตอนนั้นเน่ย มีพระรูปหนึ่งยังไม่แก่ทำกรรมไว้ไม่ดีเยอะทำกรรมพวกรักพวกขโมยของเขาไว้เยอะกรรมประเภทนี้ก็จะต้องส่งผลท่านตลอดนี่แต่ว่ายังไม่ส่งเออเวลาคนอยู่ใกลพ้พระเจ้าเนี่ยอกุศลกรรมแรงๆไม่ส่งผลอกุศลกรรมประเภทนี้พระเจ้าเสด็จดําเนินข้างหน้าพระรูปนี้ก็นิมนต์พระพุทธเจ้าบอกขอให้ไปทางซ้ายเนี่ยจะไม่ให้เดินซ้ายพระเจ้าก็บอกผมจะไปทางขวาใช่ไหมก็มีพระเดินตาม พระลบดีก็เลยบอกเอาบาทถวายพระเจ้าบอกเพรานั้นข้าพระองค์จะจะไปทางนี้พระเจ้าก็ไม่ว่าอะไรก็รับบาทเดียวตรีองค์หนึ่งก็รับเจอะหลวงพิจารวไปไปได้ไม่ไกลโดนปล้นสมัยก่อนเนี่ยผ้าเขาก็าปล้นเนอาเนี่ยไม่มีผ้าสะนุ่งกันสมัยก่อนจีวรไม่ได้เป็นแบบนี้ไม่ได้เป็นตะา ข, าข่ายตะลังเขาก็าปล้นคนเขาจนวิ่งต้องหาใบไม้หาอะไรห่มคือเนี่ยพระพุทธยา น, นรู้ยังไหม แต่เอ้คนที่ถี่มากเนี่ยปล่อยก็เป็นเงี้ยแต่ถ้าหากว่าพิจารณาให้ลึกซึ้งก็คือถ้าพิจารณากรรมแบบนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็พิจารณาเลยไหมพิจารณากรรมเช่นเหตุในอดีตเนี่ยกุศลกรรมกับกุศลกรรมที่เคยทําไว้นะ่ะดับหมดแล้วดับหมดแล้วไม่เที่ยงเป็นทุกข์ในหน้าตาโลสุตไดลรลับหมดแล้วทีนี้ที่ได้รับผลในปัจจุบันนั้นการได้รับผลแต่ละขณะก็ไม่เที่ยงให้สังเกต ด, ดูนะเช่นในอดีตเนี่ยเราได้รับผลดีและไม่ดีในอดีต เคยได้รับราหมดใช่ไหมเสียงด่าก็เคยได้รับเสียงชมก็เคยได้รับเห็นสิ่งที่ดีก็เคยได้รับเห็นสิ่งที่ไม่ดีก็เคยได้รับดมกลิ่นที่ดีก็เคยได้รับไม่ดีก็เคยได้รับปลิ้มรสที่ดีก็เคยได้รับปลิ้มรสที่บูดเปรี้ยวก็เคยได้รับคือได้รับมาสัมผัสสิ่งที่ดีก็เคยไม่ดีก็เคยหรือถูกกระทบกระทั่งแบบแรงๆก็เคยถูกให้ดูแลให้หยางดีก็เคยแต่สิ่งเหล่านั้นไม่เที่ยงหมดไปแล้ว เช่นได้รับเมื่อวานนี่ก็หมดไปแล้วเมื่อวานนี่เป็นต้นงันได้รับตั้งแต่เกิดก็หมดไปเออพิจารณาอย่างนี้พิจารณาให้ลึกซึ้งี่ยแต่ก่อนจะพิจารณาให้ลึกซึ้งต้องรู้ก่อนนะอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงไม่ใช่อยู่ๆก็มาดูปัจจุบันกันอย่างเดียวก็บอกไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่ใช่งั้นเอาทำไมผลของกรรมถึงไม่เที่ยงผลของบุญและบาปถึงไม่เที่ยงเอา้าเพราะเหตุในอดีตไม่เที่ยงเมื่อเหตุในอดีตไม่เที่ยงผลของเขานีนปัจจุบันจกเที่ยงแด่ที่ไหนมก็มีความแปรปรวน เข้าใจใช่ไหมถ้าเหตุในอดีตเป็นทุกข์ในผลจะเป็นสุขได้ยังไงเหตุเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไรเนี่ยปัจจุบันก็เหมือนกันผลของเขาเกิดขึ้นมามันยึดใช่ตัวตนได้อย่างไรเมื่อเมื่อพิจารณาดีต่อเหตุปัจจุบันในผลปัจจุบันเหตุจจที่กําลังทําอนาคตจะผลไม่ต้องพูดถึงเลยเราเชื่อมโยงได้สามการมันจะเข้าอยู่ในกฎของไตรลักษณ์ไม่ที่ยังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเริ่มมองเห็นตรงนี้แล้วนี่ก็เรียกมองตลอดสายนี่พิจารณาอย่างลึกๆก็ ปฏิจจเอยนี้ทุกเอพิจารณาลงอริยาศัสตร์หรือปฏิจจาก่าลักษณะที่ก็ปยะก็พิจารณาสิ่งต่างๆให้ลึกถ้าเราไปมองแค่ผิวเผินเราก็ไม่เข้าใจคำสอนแล้วก็น้อมใจในการที่จะเจริญธรรมวิญยาสำบโชนก็น้อมใจน่อันนั้นเกี่ยวกันเลยอันนี้จริงๆมามามามากราวมาประการต่อมาก็คือปุริยะ วิริยะสำโพชงที่ยังไม่เกิดก็ให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็ให้บริบูรณ์ยิ่ง ๆ, ง ๆ, งๆเหตุเกิดของวิริยะเนี่ท่านกล่าวไว้เยอะระลึกถึงความน่ากลัวของสังสารวัฏโดยเฉพาะอวัยวะภูมิคนเอางี้นะว่าเออเราใจเรามันไม่กระตุ้นเลยในการที่อยากจะทําดีเราจะเจริญอะไรเขาให้เจริญวิริยะสำโพชงเช่นอยากจะนอนอยากจะเล่นอยากจะอยู่เฉยๆไม่อยากจะควนขวายอะไรนะเคยเป็นไหม ชีวิตเคยเป็นไหมบอกไม่ค่อยอยากจะทําอะไรแล้วอยู่ไปวันวันสนุกสนานไปเพลิดเพลินเนี่ยใช่ไหมเป็นบ่อยไหมความคิดแบบไม่เห็นจะต้องไปเร่งรีบอะไรชีวิตอู้บิดใช่ไหมเนี่ยถ้าหากว่าพิจารณาเ้วก็จะเห็นคนตัวตัวไปมีคนคนหนึ่งเขาบอกเขาเองก็มีทุกอย่างเขาบอกว่าบ้านก็มีรถก็มีเงินทองต่างๆก็มีเขาอยากจะทําอะไรก็ทําได้หมดถามว่าชีวิตเขาเขาได้อะไรเขาเออเขาเขาบอกว่า เขาเขาเขาจะต้องไปควนขวายอะไรอีกกขาถามว่ า, าเขาจะต้องไปควนขวายอะไรอก็เลยบอกว่ายอมเคยทุกใจมช่ไหพอทุกข์เมื่อรัยอมว่าได้สิ่งเหล่านี้เบเสร็จแล้วยอมเลไม่คิดหาดับเวลาเราจะดับความทุกข์ได้ไงใช่ไหมเพราะมันทุกเนี่ยถึงเวลาเราจะใช้ชีวิตแบบนอนรอมันอยู่คือนอนรอตายอะเดินรอตายยืนรอตายนั่งรอตายเพราบอกเ อ, อตรงนี้ถ้ามาคิดอย่างนี้มันมันมน่าคิดเหมือนกันก็น เออคนขนาดว่าเขารู้ว่าหมุดไฟมันไหมมาแล้วมันจะถึงบ้านเราอยู่แล้วก็นอนสบายไหมไปช่างหัวมันไมใในน่ใช่ไหมแต่บ้านเราเช่นนี้หรป่าใชไหมเดี๋ยวบ้านคนอื่นก็มาไหมแล้วไม่ไม่ทําอะไรเลยใช่ไหเว่าเหมือนเพระเจ้าบอกไฟมันไหมอยู่บนที่ศรีรษะไฟที่ไหมอยู่ศรีรษะจะรายงานเลี้ยง แต่ไฟไหม้ที่สาวผมจะไปงานี่โดยสํานวนเนี่ยโดยสํานวนคือว่าถ้าอย่างนู้นละเราไฟไหม้ไม้บ้านเดี๋ยวเราไปงานเลี้ยงเราไปสนุกสนานไปเที่ยวไปแดงดังแต่ไฟจะไหม้บ้านอาถ้าเรารู้จริงๆว่าไฟมันจะไหม้บ้านจริงมันมีจิตอยากจะไปเที่ยวไหมไม่มีทีนี้มันไม่รู้ไงสัตว์โลกเนี่ยจะไม่รู้อาวิชาก็ปิดอยู่ตัณหาก็ประกอบว่าก็ทํำให้วิ่งพานกันไปมาอยู่ก็ไม่รู้หรอกว่าไฟมันจะไหม้ไฟมันใกล้จะหมดนั่นถ้าถามเนี่ย รู้ไหมว่าอีกกี่ลมหายใจเข้าออกเนี่ยจะเป็นจุดติของเราจะเป็นที่ตายของเราไม่รู้ตรงนี้นในตามโดยสํานวนของพุทญาตก็จะบอกว่าพบสามใช่ไหมอัธยาศายของพระโวติสสัจจะมีอยู่ข้อนึงบอกว่าเห็นพบทั้งสามกระดุดตังไฟไหมกระดุดตังหลุมฐานเพิงคือไม่น่าเกิดเลยตั้งกามมาพบรูปมาพบแล้วรูปพบเนี่ยไม่น่าเกิดเลยไม่น่าไปเกิดเลยไม่ว่าพบไหนแล้วแต่โดยเฉพาะที่น่าจะบปวดที่สุดก็คืออบายภัยอบายภูมิ เช่นสัตว์นรกเนี่ยเรายังไม่พ้นเลยเพราะมีโทสะอยู่เปรตเรายังไม่พ้นเลยเพราะมีโลภะอยู่นะอสุรกายเป็นต้นเลยยังไม่พ้นสัตว์เดรัจฉานยังไม่พ้นเลยเพราะเรามีโมหะราคาโทสะโมหามีอยู่การไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่งา่ายไม่ยากเลยอันนี้เป็นไฟมไหมเฮงเอาถ้าพิจารณาไม่เห็นทัานบอกว่าเอาเนี่ยเอาในปัจจุบันที่ตาเห็นหูได้ฟังเสียงเขาเนี่ยเป็ดไก่ร้องระงมเ ง, งินที่กําลังจะถูกเอาเข้าไปถู่ลงฆ่า เวลานั่งรถไปเขาเข็นวัวใส่รถไปเนี่ยเรามองอยังไงเราคิดยังไงเราคิดยังไรรงไโอ้สงสัยส่งลงฆ่าที่ไห น, นเนี่ยเนี่ยมันพันนี้มันจินดีเนื้อมันมันคนละเรื่องเลยไหมเขาไม่ได้คิดอย่างนี้ทัศนาของพระพุทธเจ้าไม่ไม่ไม่ได้สอนในรู้ัดโลกคิดแบบนี้ให้เจ๊ตัวนี้เราเราพ้นนี่ยังอัตภาพในการที่จะไปเป็ น, นพวกวัวควายทั้งหลายหรือว่าจ้างมาเป็ดไก่หรือว่านก จะเป็นพ่อเป็นแม่เราไว้ได้ทำไมจะไม่ได้เพราะว่าตัวโมหะเป็นต้นเหล่านี้เรายัางละได้ที่ไหนเหตุที่จะไปเกิดเป็นสัตว์เหล่านี้เรายัางไม่ละไม่ได้เมื่อทีเราตู้ถูกมันอยู่ดีๆจะไปตายพอใกล้จะตายเราไปคิดถึงมันมันจะยอยู่ยังไงนะเกลี้ยงมาจนผุพัน 6, ใช่ไหมพอจุติจิตจะเกิดใกล้จะเกิดตอนมรณาสนะการมรณาสนะวิถีเกิดขึ้นก็ไปน้อมโม้เป็นห่วงมันเริ่มเกิดไม่มีใครดูแลยเอย่างเราดูแล ก็เรียบร้อยแล้วไปถึงหน้าหรือดูฤดูที่มันจะมีลูกได้ด้วยเลยเป็นคุณแม่เลยเด <c oughs> ีนี้เห็นไหมมันแค่นั้นก็จบแล้วชีวิตแล้วแล้วไปอุทธรณ์กับใครดีนเดี๋ยนี้ไม่มีประเทศไทยยังมีศาลอุทธรณ์นะถ้าไม่เจ๊กดีการเมืองนกะันเลยยังพอจะอุทธรณ์ยังพอจะหลุดจะรอดได้เนี่ยอุทธรณ์ไม่ได้เรียบร้อยเลยถึงออกมาเอ๊ะทำไมเราไม่เหมือนเดิมมีโยมวัดอยู่ท่านหนึ่งนะก็เนี่ยเวลาตอนนั้นแกมาที่นี้ กระชวยแกบอกมาาฟังทำมาอะไรต่างจะเป็นโยมวัดดุแกบอกแกรู้รู้หมดแล้วแต่แกรู้ที่จริงแกไม่ค่อยรู้อะไรหรอกนี่ก็แกบอกว่ามัน๋จะต้องรักษาคนนั้นบางรักษาคนนี้ย่งแกตามภาษาเนี่ยเดี๋ยวนี้เรียบร้อยเป็นอาวมเพื่อพูดก็ไม่ได้พอจะขยับกายได้เล็กๆน้อยๆแตพูดไม่ได้ลิ้นแข็งถ้าพูดไม่ได้เนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าสาธยายคําสอนของพุทธเจ้าไม่ได้ วาจีสุดจริตฉะั้นจะกล่าวคําสอนผู้เจ้าไม่ได้ฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยตอนเนี้ยประประสาสลินเรามันยังเอลิ้นเรามันยังไม่แข็งถึงขนาดยั ง, ย ง, ยงพูดไม่ได้ใช่ไหมรีบกล่าวคําสอนเยอะๆอย่าไปด่าใครมากอย่าไปบ่นใครมากใช่ไหมแล้วบอกโอ้ไม่เอาแล้วต่อไปเราจะไม่ใช้ลิ้นใช้วาจีวาจีคําพูดเนี่ยว่าคนอื่นอีกแล้วที่หนึ่งที่เราพูดมามากแล้วใช่ไหมเรากล่าววาจาที่เป็นบาปผ่านทางทวารปากเนี่มาเยอะแล้วอยากก็นั้นเลยสํารวมวาจา กล่าววาจาที่เป็นบุญใช่ไหมสมมติว่าอายุผ่านไม่สมมติเอาจริงๆที่ผ่านมาที่ผ่านมาหกสิบกว่าปีหกสมมิบกว่าปีนี่คำพูดเราผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรเพราะอะไรมันผ่านไปแล้วเป็นอดีตไปแล้วไอ้ที่เหลือเนี่ยอีกพบนี้เราจะใช้กคำพูดอีก อ, อาจจะไม่ถึงสามพันวันเนี่ยนะอาจจะไม่ถึงอีกสามพันวันในสามพันวันนี่กี่ปีสิบกว่าปีแล้วว่าสามพันวันนะครับจะมาอยู่ถึงหรือเ่าอีกสิบปี ใช่ไหมไ ม, มีโอกาสจะพูดได้อีกไม่ถึงสามพันวันลองคิดดูนี่ก็โอแคถังไหมเริ่มมาคิดแล้วว่าเราจะพูดยังไงที่ให้มันเป็นวจีสุจริตคือพูดให้มันเกี่ยวกับเป็นพระธรรมคําสอนของพระเจ้าให้มากนี่เริ่มสัมรวมเริ่มเริ่มเริ่มกลัวตัวภัยอย่างเงี้ยเริ่มเนี่ยเริ่มคําพูดก็จะเป็นบุญอา้าวพอจัดการกับคาพูดได้เอาทางทางทางกายเคยชีย้หน้าคนก็มาเยอะแล้วอะไรต่างเหล่ า, านีนะ้เคย บางทีคนทะเลาะกันที่ไปเราก็โกรธโดยไปชีมหยุดขึ้นเดี๋ยวนี้ใจเราก็เป็นบาปอย่างนี้นก็ดีนะไม่ห้ามก็แต่ว่าจริงๆก็ห้ามที่ใจที่เป็นบุญก่อนเนี่ยแล้วใจมโนก็ให้เป็นบุญทัานถามว่าเกี่ยวอะไรในร่างต่างๆถ้าบอกว่าไปพิจารณาภัยในใบรรยภูเนี่ยมันจะทําให้ความเพียรเกิดเกิดขึ้นเพียรอะไรเพียรในการที่จะเจริญกุศลถ้าเวลาท่านไปอยู่ในป่าท่านก็ระลึกถึงความน่ากลัวนะครับของใบรรย์ ถ้าท่านระลึกไม่ไม่ไม่ไมไมยากเลยเนะี่ยยกเป็อย่างเช่นท่านกําลังทํากีดมัวแต่ทํากีดนู้นกีดนี้อยู่เดี๋าวครั้งที่ท่านอยู่ในป่านี่นะพอ น, นกร้องขึ้นมาเลยท่านสะดุ้งนอท่านสะดุ้งเลยถ้าอย่างเรามันจะคิดอีกอย่างไม่ใช่บรรดาพวกนักพฤกษาแต่พวกไอพวกชอบดูนกพวกอะไรเนี่ยฝรั่งพวกใครต่างๆที่ชอบไปส่องใช้กล้องส่องดูนกเป็นวันๆตามไอ้ที่เชียงใหม่อีไยเยอะ บางคนก็บอกเป็นสองชั่วโมงเขาไม่ขยับเลยนะเขาบอดูความงามของนกเขาอยู่ในป่าเคยไปแถวทางไอ้จังหวัดกาญจน์ก็ไปเจอฝรั่งมันชอบดูลิงดูนกดูข้างดูแล้วมันจะมีกล้องส่องดูดูพฤติกรรมของเขาาก็จดดูก็จดเล่นด่านเาศึกษาถามว่ามาอยู่นี่นานหรืยังก็บอกเขาอยู่สิบกว่าปีแล้วเนี่อยู่ในป่าเขาอยู่เป็นสิบสิบปีนะดูนกดูลองคิดดูแล้ว เขาอย่างนี้เขาควรจะเป็นอะไรถ้าตายใช่ไห ม, มว่าเดียถ้าเราดูสวนสิปียี่สิบปีมันจะเป็นอะไรดีเลยอย่าเฝ้าอย่าอย่าไปเฝ้าสวนกันยังไงยังไงบอกขอดูแค่ดีนะแต่จะไม่ขอมาเฝ้าอยู่ตรงนี้บอกเขาอย่างเงี้จริงที่จิตมันห่วง น, นะจะเฝ้าคือบางทีเรามอเฝ้าวเสร็จเอาแล้วที่ลูกหลานเขาทากันไม่ถูกไม่ควรโกรธ ลองโอดลองตอนสมัยเราไม่ทําอย่างนี้เลยนทําเสียหายหมดเขาก็ไม่ได้ยินเราจะทําไงดีของที่เราเก็บไว้อย่างดีพร่อก็หอบมาใช้โดยไม่มีอันนี้อันนี้เป็นเรื่องเขาระลึกเลยนะที่จังหวัดอุบลเดีย๋ยวนี้ยั ง, ย, งยังไม่ยังไม่เสียชีวิตนะอยู่เป็มาท่านเป็นไม่ชีอายุเกือบเจ็ดร้ อ, อเออตายไปแล้วตายไปไม่กี่ปีเนี่ยแต่ระลึกชาติมันจได้แตกจริงๆ ก, ก็เนี้ยจะเป็นเศรษฐีเก่า ก็ <K> oh <an> อันนี้แกเล่าเนี่ยแต่มันดูน่าจะจริงอ่ะพอแกจํำนี่หมดตายตายแกห่วงแกแกห่วงของเยอะแยะหมดเลยในบ้านนั้นนะแต่ของที่ห่วงมากที่สุดคืออะไรรู้ไหมผ้าไหมแกชอบ <K> oh <an> ชอบชอบผ้าหม <K> oh <an> พูดอะไรแอบมองกุญยงกันเองเลยไม่รู้เป็นไม่รู้ใจไอไม่รู้จิตกักกกงวล อ, อะไรก็เ <K> oh <an> <K> oh <an> นี่ยแกแกก็แก็แกกปรกัแล้วก็ต่อมาแกก็เสียชีวิต ก็ตั้งตั้งห้าสิบกว่าปีห้าสิบกว่าปีก็มีเด็กที่ว่าเด็กไปเห็นเห็นอะไรตัวสูงตอนตอนเย็นเด็กก็กวิ่งกลัววิ่งกลับบ้านมาเล่าให้แม่แม่ก็อยพูดไปแม่ก็เคยเห็นพระอุทิศ ส, ส่วนกุศลให้ก็ไม่เห็นได้รับก็ไม่เห็นหายก็เลยบอกลูกๆคนเล็กๆไอที่ไม่รู้อายุไม่กี่ขวบเจ็ดแปขวบไปใส่ไปทําบุญที่วัดก็อุทิศ ส, ส, ส่วนกุศลก็ เอ่ยชื่อที่ตนเองเห็นกันแล้วก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่เห็นพออยู่ต่อมาประมาณสักแปดเดือนเก้าเดือนก็มีเด็กในหมู่บ้านก็เกิดพอเกิดขึ้นมาก็ปกติเลยพอเริ่มพูดเนี่ยเขาก็จะพูดว่าเขาชื่อเนี้ยเขาชื่อเนี้ยคือมันมีอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งจนมันโตเริ่มจะเดินมันก็พูดทีแรกเขานึกว่าผีเขา้าเขาไปทําพิธีอะไรตามแต่ว่าอีสานก็ทําทักเมืองก็พูดมันเนี่ยก็ก็ะ เลยพาไปพอพาไปไปเสร็จหนึง่งเขาไปชี้คนนี้นี่เขาเรียกไน้ไหมเขาเรียกชื่อได้หมดเลยลูกเขาอา ย, ยุเจ็ดสิยยบแปดสิยยบแล้วเขาไม่เรียกเป็นลูกเป็นอะไรเขานี่ยนี่ก็แปลกเขาพอของในเขาหมดเลยเขาระลึกได้หมดเลยแต่ของถูกขายไปเกือบเกลี้ยงแล้วเหลือผ้าไหมอยู่สองผืนสองหรือสามผืนเนี่ย ร้องไห้เลยเด็กคนนีก้กอดถ้าร้องเขาเขาก็เลยให้ให้ผ้าไหมสามผืนตอกนั้นเขาไม่ให้เลยเข <c oughs> า, หาให้ผ้าไหมแต่น้ำมาทวงเขาถูก <c oughs> เขาให้แค่ผ้าไหมสามผืนแค่นั้นเองบ้านเอยทรัพย์ที่เหลือที่ไร่ที่น้ำมีแค่ให้แกก็เลยสลดใจตัวเองก็มาบวชเรื่องนี้เลยขึ้นคมมันเป็นอย่างเงี้ยคือทอํายังไงอย่าตายถ้าตายแล้วกลับมาทวงสมบัติเก่าไม่ได้ เขาไม่ให้บางทีเขาอาจจะเชื่อแต่เขาไม่ให้ใช่ไหมทั้งๆที่จําได้หมดอะไรได้หมดแต่เขาก็ไม่ให้เพราะหมดแลย้ยหมดบุญแล้วที่เขาให้ใหม่เนี่ยมันเป็นมันเป็นว่าเขาให้เขาเขาให้ในในฐานะที่เราเคยให้มาเราบุญเราได้เหลือแค่นั้นไงใช่ไหมบุญมันได้ได้จะมีสิทธิครอบครองเพียงผ้าไหมสามผืน นอกนั้นไม่ใช่จะต้องมาทําใหม่ต้องรับผลของผลขนะองกุศลเพราะอนั้นมันเป็นผลของบุญเก่าของตนเองแต่แต่ผลของบุญนั้นมันไม่เที่ยงไงตนเองมีสิทธิครอบครองเพียงแค่นี้มันก็แค่นี้ฉะนั้นบ้านนาไร่ที่ดินทรัพย์สินเงินทองอ่ะเราจะมีบุญใช้เข้าเข้าไหลเท่านั้นเองใช้ได้กี่ปีกี่วันบางคนเนี่ยโอ้โหคนนั้นไม่น่าเจ๊งเลยอย่าไปแปลกใจเ้าเนี่ ไม่ไม่น่าเจ๊งเลยเนี่ยไม่น่าหมดเนื้อหมดตัวถ้าเป็นเรามีเงินตั้งยี่สิบสามสิบล้านไม่น่าหมดใช่ไหมเออใช้เงินไปได้ยังไงตั้งสามสิบสี่สิบล้านแบบคนไม่คนกลับไปตั้งคําถามผิดแท้ที่จริงต้องบอกว่าบุญเขาที่จับได้อยู่ครอบครองสมบัติเพียงเท่านั้นคือเขาหมดบุญมันก็คือหมดสภาพทีนี้มันมีสองประเด็นนะหนึ่งสิ่งนั้นจากเรากับเราจากจากเป็นก็ได้จากตายก็ได้ เช่นบางคนว่าโอ้โหมีสมบัติอยู่เบ็ดเสร็จเนี่ยแต่จากเป็นโดยว่าเขาไม่ให้เข้าไปเอาหรือถูกคนอื่นยึดเนี่ยนี่เขาเรียกจากเป็นถูกลิฟถูกเขาเรียกอะไรนะราชภัยสมัยก่อนเนภัยพ่อลาภราชาหรือภัยจากทางรัดลัฐะเข้าไปจัดการใช่ไหมโดยที่ของไอ้ที่ที่ไอ้พุทธมนทนเน่ะสองพันห้าร้อยไร่อันนั้นก็ที่ยึดมานี่นะยึดจากของจอมพลถนอมหรืยอะไเนี่ย อันนี้ก็ที่ยึดมันแต่ได้บุญมาเอามาทำเป็นสถานที่ทําบุญไปสุดแต่เนี่ยของยึดได้มันมีแน่นอนอะไรของแบบนี้คนมีปัญญาทั้งหลายเขาก็ทํำยังไงแปลสภาพให้มันเป็นกุศลให้ให้ให้ได้ดีที่สุดําแปลสภาพเป็นกุศลมันทํ า, านะได้หลายกรณีนะได้หลายกรณีเป็นเห็นประโยชน์ของการปาราบความเพียนประการที่สองในะเห็นประโยชน์ของการปาราบความเพียน คือคนที่เขาเห็นยกตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องมีวิทยาบา ร, รมีเนีต้องสั่งสมความเพียร เ, เริ่มตั้งแต่การริเริ่มแล้วก็ออกจากความเกียจค้านมาริเริ่มแล้วก็ในลักษณะก็ทับความเพียร น, นั้นให้ยิ่งยิ่งขาาึ้พขาานพ ร, รพระพุทธเจ้าพระโมกขาราภาษาลีบทพระโมกขารานะพระปเจ้าพรธเจ้าพระทุกทุกพระองค์นั้นไม่มีเราคนเกียจค้านจะได้บรรลุคุณส่วและธรรมชั้นสูงไม่มีถ้าเรามองทางโลกเลย ไม่มีไม่มีคนที่เขาประสบความสําเร็จในชีวิตทางโลกคนไหนที่เขาเกียรติค่ะให้ไปถามแต่ละคนขยันตัวเป็นเกลียวโมเป็นปนอดหมดแล้ต้องไปถามถามทุกคนที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยล้วนคนมายากคนขยันโอโหที่เกียรจนรวยี่ไม่เห็นไม่มีเว้นแต่จะรับทรถึงองั้นเดี๋ยวก็หมดนั่นต้องคนขยันทั้งนั้นแล้วไม่ใช่ขยันอย่างเดียวเนี่รู้จักใช้รู้จักเก็บรู้จกักเอะไรเยอะๆหมดหนั้นคนทางทางโลกในยะเดียวกันเออทางธารมก็ในยะเดียวกัน แต่ว่าบางถ้าเราความเพียรทางโลกมาปรับในช่วงหนึ่งของชีวิตมาปรับมาเพียรในทางธรรมก็จเจริญพิจารณาถึงความเพียรเป็นทางดำเนินไปของพรรยะบุคคลทั้งหลายก็พิจารณาภรรยาทั้งหลายที่ท่านบรรลุเนี่ยก็เพราะว่าท่านปราลบความเพียรประการต่อมาก็คือว่าพิจารณาเ อ, อเารับในก้อนข้าวของชาวบ้านก็อันนี้หมายถึงพระพิจารณาว่าเออตรงนี้ท่านก็มีตัวอย่างนะตัวอย่าง ตัว อ, อย่างเรื่องนี้เคย <C> e <zy> เคยเล่าอยู่ทีที่บอกว่าถ้าไปบินตบาทบ้านโยมแบบว่าเป็นโยมแม่เนี่ยแต่เราเป็นแม่แบบเคารพแล้วก็ที่ว่าโยมลูกๆก็เหมือนน้องขเขาเคารพเหมือนน้องไม่มีโยมนี่ก็อุปทานว่าให้ให้เรียกเป็โยมแม่นะนี่ก็เป็นโยมน้องนะี่ท่านก็ไปบินตาบาทไปจ้ามอั น, นี่มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านไปก็ ไ, ปได้ยิน ไปได้ยินโยมมพูดแต่ลูกอาหารเนี่ยเป็นข้าวสาลีอย่างดีเนี่ยเตรียมไว้ให้พระพี่ชายของลูกเนะส่วนอาหารที่เป็นเป็นไอไอลาข้าวเป็นลักษณะอาหารแตกหักแล้วก็น้ำต้มผักดองต่างๆเนี่ยเอาไว้ให้แม่กับเราเรามีกันไว้กินแค่วันนี้แค่มื้อเดียวนี่แหละ แต่ว่พาพระพี่ชายมาจัดอาหารอะไรอย่างดีนี่นะที่ยังเหลืออยู่มือเนี้ยอาส่วนแม่จะเข้าป่าไปหาฟืนมามาขายเออมาหาขายแล้วจะได้มีอาหารในวันต่อไปให้พระพี่ชายของเจ้าพระจืนได้ยินเนี่ยเดินกลับเลกินไม่ลงเข้าไปก็โอ้โหเขาบอกว่าถ้าปุถุชนเช่นเราเนี่ยไม่ควรที่จะไปรับถ้าตราบใดเรายังไม่ทำอรอยิยคุณให้เกิดขึ้นในในกระแสจิตนี่นะ อริยมรรยาพจน์ที้เกิดขึ้นในกระแสจิตก็ไม่ค่ควรในการที่จะไปรับของนิจายมเพียรเพียรได้บรรลุแต่คนเขาบุญเขานน่นนะถ้าปัจจุบันถ้าใครมาเพียรย่างไงก็เพียรยังไงมันก็ไม่ได้บรรลุใช่ไหมบุญก็บุญเก่าดีด้วยเนี่ยลักษณะที่เขาเรียกขลกร้าวพิจารณาความยิ่งใหญ่แห่งมรดกธรร ม, มก็หมายความว่าเขาเรียกธรรมะธาญาตนะตคนที่เคาเรพระพุทธเจ้าเป็นต้นเหล่านี้นะสัตว์นับถือสัตว์ พุทจ้าเนี่ยมอบมรดกที่ยิ่งใหญ่มอบอริยทรัพย์มาทรัพย์คือศรัทธาทรัพย์คือศีลทรัพย์คือสุดสิริทรัพย์คือโอตปาทรัพย์คือสุตะทรัพย์คือจาคาทรัพย์คือปัญญาเป็นต้นทรัพย์คือศีลสมาธิปัญญาทรัพย์คือสติปัฏฐานสมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทรียพระราโชงองค์มรรคเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นทรัพย์เป็นมรดกนะเป็นมรดกนั้นอริยทรัพย์เหล่านี้ยิ่งใหญ่มากเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐ ถ้าใครได้อริยทรัพย์นี้แล้วเนี่ยแปลว่าเป็นทายาทงั้นคนที่จะได้มีสิทธิ์รับมรดกของพุทธเจ้าเนี่ยคนคนั้นก็ต้องเป็นทายาทของพุทธเจ้าเท่านั้นจึงจะได้รับมรดกนี้ก็เหมือนทางโลกใช่ไหมถ้าใครไม่ใช่ทายาทของคนคนนั้นก็หมดสิทธิ์ไม่รับมรดกแต่ถ้าใครเป็นทายาทของเรามีสิทธิ์รับมรดกนี่ปัญหาว่าคนที่มีคนที่จะมาเป็นทายาทของพุทธเจ้าเนี่ยก็จะจะต้องมีสิทธิ์รับมรดกของพุทธเจ้าคือสติปัฏฐานเป็นต้น ถามว่าจะเป็นทายาทของพระพุทธเจ้าก็จะต้องอะไรมีศรัทธามีศีลมีสุตตามีจารค้าปัญญาเป็นต้นค่อนข้าง ด, ดีแล้วก็พิจารณาความยิ่งใหญ่ของพระาศาสดาก็หมายความว่าพระาศาสดานั้นเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ยังไงแล้วพิจารณาความประเสริฐของวงตระกูลุงพุทธเจา้าเป็นต้นพิจารณาความประเสริฐของเพื่อนพระมรรจันต์ตรงนั้นจรงิงๆก็พิจารณาถึงนพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะเป็นต้นแล้วก็ลีกเกลี้ยง คนที่เกียจคร้าแล้วก็ปรารบความเพียร น, น้อมใจไปเพื่อให้เกิดความเพียรนนะั้นอันนี้เป็นเป็นเหตุเกิดหรือว่าเป็นอาหารเป็นปัจจัยที่ทําให้เกิดความเพียร น, นี่สิบเอ็ดอย่างประการต่อมาคือเหตุพอกพูนของปีติธะให้สังเกตดูว่าทําไมเราชีวิตของเราโดยส่วนมากเนี่ยปีติไม่ค่อยเกิดเคยสังเกตถูกไหมเช่นเวลาไปเจริญกุศลหรือไปทำความดีทั้งหลายมันรู้สึกว่าสดชื่น หรือว่าทําไมปีติไม่ค่อยเกิดเบื้องต้นเลยเนี่ยเราศรัทธาในพระราชน้าใจน้อยไปเหตุผลที่ศรัทธาในคุณของพระราชนตรัยน้อยไปก็เพราะาเราไม่ค่อยระลึกไม่ค่อยระลึกถึงพุทธคุณเช่นเราสวสดอิจิพิโสพระวาดางสัมมาสัมพุทโธวิจาญรณาสัมปันโนสุทโทโกโตโลกัวิทูนุตโตโรปุริสธรรมมสารติสัตถาเดวุส า, านังพุทโภควาติยุรพระควาติแล้วสวสดไปก็เฉย ที่จะระลึกได้ดีค่อนข้างที่ใจที่จะเป็นปีติได้ต้องระลึกช้าๆหน่อยนึ้ยปิติพิโสภักขวาเม้ฆขาะเหตุนั้นต้องรู้ความหมายด้วยเนี่ยอะรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลอยังไงไกลจากกิเลสเอามาตรึกราคะโทสะโมหะเป็นต้นชื่อกิเลสโอ้พระพุทธเจ้าไกลจากรา ค, าคระไกลจากโทสะไกลจากโมหะ โอ้เราเนี่ยใกล้กับลาค้าตัวสาวโมหะเป็นพุนกุศลของเราแล้วเน้อที่ได้มีโอกาสมาเคารพท่านที่ใกลจากลาค้าตัสาวโมหะถ้าคิดงี้ปีติจะเกิดถ้าไม่มาตรองจะไม่เกิดหรอกถ้าไม่ตรองจะไม่เกิดไงใช่ไหมเ ร, เราเสวตเราเร่งให้จบ嘛ที่เสวตนมณนี่ปีติไม่เกิดเน่ยเวลาไป็นว่าใครป้าที่ไหนก็ให้มันจบจบเสมันเสร็จร จ, จะได้รีบกลับมีงานอื่นรอเยอะเป็นแบบนี้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ปีติไม่เกิดเสวตมณีก็ตั้งเวลาไว้แล้ว สิบห้านาทีพอแล้ววันนี้พอแกเหตุแล้วเวลาจะทําบุญ น, นะตั้งเวลาเวลาจะทําบาปไม่ตั้งเวลาเลยทั้งวันทาบุญแค่นี้นอกนะั้นให้บาปเกิดได้ตลอดแม้แต่มันถ้สมมตินะบอกว่ า, เ, าเราไ ป, ไปเป็นมีหน้าที่ต้อรักต้อนรับแขนมันจะมีมันจะมีมนะมหนึ่งคนรักษาศีลคนฟังธรรมคนคนนุ่งขาวห่มขาวอะไรก็แล้วแต่นะที่จะมาเข้ามาหาเรา กับคนโดยทั่วๆไปเราเขาให้เราเป็นคนคอยต้อนรับต้อนรับพวกนี้ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยดีมาก็ต้องอะไรก็ไม่รู้ต้องมาต้องพูดจาก็นิ่มนวลกิริยาก็นั่นพูดจามันไม่ค่อยกระชงเออก็ไม่ไม่พูดแบบกันเองไม่ได้อะไรอยากพูดอะไรก็พูดอยากจะหัวเราะก็หัวเราะอยากจะคุยเรื่องอะไรก็คุยใช่ไหม แต่ให้เรามีหน้าที่ไปนั่งคอยลคอยคอยคอยรับแขกแล้วก็คอยสนา น, า น, ยสนานาบางคนสนนานๆพวกนี้สนุกดีกว่าถ้าสนานานๆกับพวกนี้มั่อยสนุกเจญหน้าที่ไรก็ถามออ จ, ะจะเจริญสติปัฏฐานอย่างนู้นจเจริญสมมติปทานอย่างนี้มันต้องมาคุยอย่างนี้ใช่ไหมเราไม่อยากในญาติเดียวกันก็คือว่าถ้าให้เราแล้วเลิกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยให้นา น, านๆให้บ่อยๆ เ, ยเราไม่ค่อยอยากลเลย แต่ถ้าจะระลึกถึงพ่อถึงแม่ถึงพี่ถึงน้องถึงเพื่อนระลึกถึงคนรู้จักมากคุ้นระลึกถึงงานการที่ยังไม่ได้ทำอะไรต่างๆอย่างนี้อัธยาสัยชอบนะึกขึ้นมแล้วอย่าแปลกใจว่าทำไมปีติสามพ่ชงจึงไม่เกิดเพราะว่าเราระลึกผิดสิ่งที่ที่จริงสมัยก่อนเนี่ยถ้าเขารู้ว่าใจของเขาเศร้าหมองเขาจะให้อาหาร คือคนกลุ่มนู้นที่เขาอยู่ใกล้สัสตว์บุรุษเขาฉลาดเช่นว่าถ้าเขาหลงลืมขาดเนีขาก็จะให้อาหารของสติมีโยนิโสมนัิการเป็นเบื้องต้นก่อนเป็ น, ป น, ป น, ปนต้นเนี่ยถ้าเขารู้ว่าเขาอคิดอะไรก็ไม่ก็ อ, อ๋อเขาก็จะให้อาหารของปัญญาเพราะปัญญาก็ต้องกินอาหารสติก็ต้องกินอาหารถ้าเขารู้ว่าความเพียรมันผดหดถูกมันท้อถอยอะไรต่างเขาก็จะให้อาหารของความเพียรให้อาหารของวิญญาต่ออาหารลงไปเขาจําได้หมดใช่ไหม พอเขารู้ว่าจิตใจหดหูท้อถอยมันไม่เกิดปีติเลยเขาจะให้อาหารของปีตินี่เราไม่เคยรู้สูตรตรงเนี้มันมันมันเจริญกูสวดและทำไม่เคยได้พอให้อาหารของปีติจะให้ยังไงเบื้องต้ น, นก็ระลึกถึงคุณของพระราชนตรายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุ ณ, รรคณทั้งๆ ท, ท, ที่เราท่องได้แค่เก้าบทเนี่ยแต่เราก็ระลึกไม่ได้อันนี้ครับจริงๆก็แบบย่อเนี่ยคุณของพุทธเจ้านั้นไม่ใช่มีแค่เ้าบทนี่นะมีมากมายเหลือเนินนะถ้าใครสามารถไอ ตร์ระลึกได้เยกตัวยอย่างเช่นกําลังฟังธรรมอยู่อย่าเงี้ยเป็นถามว่าไม่ไม่ใช่คุณของพระเจ้าเลยที่เราสามารถรู้คําสอนอย่างเนี้ยทุกอย่างระลึกถึงคุณของพระเจ้าได้หมดแต่ว่าด้วยการที่เราไม่มีวิธีคิดให้ใจเป็นปีติก็เลยไม่ค่อยได้ก็เลยเฉยๆไปนี่เป็นองี้ประการที่สองก็คือระลึกถึงศีลระลึกถึงศีลถ้าระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยเนี่ยระลึกออกนอกตัวเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยระลึกออกนอกตัวเอง แต่ถ้าเราลึกถึงศีลเนี่ยลึกถึงการกระทำของตนี้ม่ยอมกรนึงบอกว่าพอให้ลึกราลึกถึงศีลก็ไม่รู้จะคิดยังไงแต่ว่าเขาไม่มีศีลมาได้ไหนแต่ไรอะไรอย่างนี้อย่งนี้แย่ถ้าไม่มีต้องรีบต้องรีบทำเขาไม่ไม่ใช่ถ้ามันตนเองศีลยังไม่ดีพอก็าเราลึกถึงกุศลศีลของคนอื่นก่อนวิธีจะลึกจะทําให้เรามีศรัทธาในการที่จะทําให้ศีลเกิดขึ้นในตัวนี้เช่นดูศีลของพระพุทธเจ้าดูศีลของพระโมคคละของภาษาริบุตรของพระโมคคัลลานะเป็นต้นท่านเหล่านี้ย การที่มีกุศลศีลยังไงแล้วท่านเหล่า น, นี้มีคนคนหนึ่งมีพระมีพระรูปหนึ่งท่านก็ใหญ่พูดนะท่านบอกว่าบอกว่าเป็นพระเนี่ยบางบางองค์ก็พยายามที่จะทําให้ตนเองเนี่ยพยายามให้ตนเองเนี่ยหืมทำไงจะเป็นที่ยอมรับบางคนคือไปคิดแต่ประจายภายนอกใช่ไหมเอายุคนี้อะไรมันดังก็เอาเท่านั้นมาเอรุ่นไหนดังอะไรนั่นดังก็พยายามทําทำให้ตนให้ให้ตนเองเป็นที่ยอมรับมั่งสังคม แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนพระแบบนั้นเนะี่ยพระเจ้าบอกว่ารักษาศีลให้ดีเจริญกุศลศีลให้ดีให้บริสุทธิ์เท่าไหรแ่แล้กุศลศีลนี่เราจะคุ้มครองใช่ไหมหนึ่งโดยเบื้องต้นเนี่ยเอาแค่ศีลห้าเบื้องต้นเนี่ยหนึ่งคุณได้สุคติแน่เขาพูดมีศีลเนี่ยสุคติเนี่ ย, นน ย, ยคือมนุษย์หรือเทวดาเป็นต้นตลอดถึงพรหมแม้แต่เป็นสุคติภูมิตรงเนี้ยต้องมีกุศลศีลเป็นเบื้องต้นสอง โอกาษ์แปลว่าพระนี่เนะี่ยโดยเฉพาะพระก่อนเนี่ยถ้าพระมีศีลเนี่ยไม่ต้องไปกลัวหรอกขอให้มีศีลจริงๆเถอะกุศลศีลจะรักษาให้ทำให้ตนเองเนี่ยมีอัตภาพที่อยู่ได้ไม่มีสาวกของพุทเจ้ารูปใดเลยที่มีศีลแล้วอดนะอดจนถึงขนาดว่าดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้มีอยู่องค์เดียวเท่านั้นแหละนะที่ว่ามีเล่ามานี้เนี่ยที่บอกว่า ทำกรรมมาหนักมากอ่ะคือได้อาหารแตะนิดเดียวนิดเดียวอ่ะแต่ก็อยู่ได้พร้อมอ่ะที่ว่าเป็นลูกเศรษฐของพระษาลิบุนที่ว่าไปทําอุศสรกรรมไว้เยอะ <S <S 1> <S 1> เคยไปลังแกรพระที่มีศีลไว้เราจะป้องที่พระที่เป็นพระอาริยะด้วยเนี่ยไปตาหนิพระอาริยะเขาด้วยแล้วไปลังแกไปเบียดเบียนผ้าอริยะให้อยู่ในวัดนั้นไม่ได้เป็นต้นเหานี้ได้โทษในการที่ว่าอาหาร เขาเอาไปถวายท่านก็ได้นะไปเดินเข้ากองไฟวินด์ตนเหล่านี้โทษนั้นูอุ้ยสังสรารวัตก็เจ็บปวดพอมามีศีลกับเขาในพบสุดสุดท้ายนีดหน่อยก็กุศลศีลดีจริงไงนะทำให้ตนเองได้อาหารบ้างกินจะน้อยมาโนแต่ก็แต่ก็อยู่รอดนิพานไปแล้วท่านสบายใจไปแล้วท่านไม่ต้องมาเดือดร้อนเหมือนพวกเราอันนี้พูดเถอะแบบแบบแ yeah ย่ที่สุดเนี่ยท่านปรินพิพานเรียบร้อยแล้วอันนี้เราเราเราเรื่องของท่านในงฟังไงเราจะได้ โอ้โหขนาดท่านเจ็บปวดขนาดนั้นท่านยังไม่คืออย่างนี้เขาเรียกไม่งองมืงองอเท้านะถ้าทางโลกเขาเรียกว่าไม่ยอมท้อถอยต่อชีวิตทำไมถ้าเป็นบางคนคิดผิดเนี่ยตายเลยนี่ทําชั่วไปเลยเนี่ ย, ล, ย, ยละลึกถึงกุศลศีลเนี่ยพอระลึกทีนี้วิธีละลึกก็คือที่เราละลึกเนี่ยเราไม่ค่อยละลึกเป็นศีลานุสติมันจึงไม่ได้ปีติไปไหนมาไปว่าไปว่าทําอะไรโอ้ไปละสมาทานศีลมามาว่าไง ออไปสมาทานศีลมันจบแค่ตรงนั้นมันไม่ได้ปิติถ้าคนที่จะได้ปิติแปลว่าอะไรหนึ่งเขาระลึกในชีวิตเนี่ยระลึกเป็นกุศลศีลเนี่ยเป็นศีลของเราเอเห็นสัตว์ทีรด่าฉานต่างๆไม่ว่าตัาง้ตงแต่มวดเลยแมลงเลยเป็นต้นเหล่านี้จนเป็ น, นึสัตว์ใหญ่เนี่ยอถ้ากุศลศีลมันเกิดเราจะมเมตตาเราจะไม่ฆ่าเราจะไม่รังแกจะไม่ทำลายกุศลศีลมันเกิดแบบนี้เห็นทรัพย์สมบัติของคนอื่นเนี่ยใจน้อมจะเอาอยัางไม่มีเลยบางคนเนี่ย ไม่รักจริงนะแต่ใจอยากได้มันใกล้แล้วนะใจอยากได้ใช่ไหมบอกน่าอยากได้จริงๆเพราะงั้นน่าอยากได้ไมันก็ เ, เริ่มอย่างเงี้ยคนที่เขาค่อยที่ต่อมาเขากาล้ารักเขาเริ่มแบบเนี้ยเริ่มคิดแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโลภในพันธะในสิ่งของในวัตถุ ข, ของบคุคคลแต่ถ้าเราตัดปุ๊บมันก็เลยแต่ข้ออื่นก็เป็นไปลักษณะนี้ระลึกถึงการบริจาคทานนี่เป็นจาคานุสติเพราะจาคานุสติเนี่ยคนเขาระลึกกันอีกอย่างนะ จากานุสติรละลึกถึงการบริจาคทานถ้าเป็นจาการุสตินี่เขาเป็นถ้าจะเป็นอนุสติเลยเนี่ยการให้นั้นต้องไม่มีตัณหามานาทิฏฐิให้แบบสละจริงๆถ้าอย่างนั้นถึงจะเอามาระลึกเป็นจาคานุสติได้สมมุติเราให้ลกูกให้หลานแต่ไม่ให้แบบสละจริงๆให้แบบลักนะว่าอ้าวเอาไปต่อไปอย่าใช้เปลืองนะสมมติไอ้ความรู้สึกตรงนี้มันไม่ตัดเนะี่ยมันไม่เป็นจาคา ถ้าจาคานุสติเขาเรียกมุตตา จ, า, จ า, ตตายาโคมุตตายาโคคือตัดตัดอะไรตัดมัฉริยะตัดมัฉริยะตัวตัวเราเองไอความรู้สึกหรือเจตนาในการเป็นเจตนาทานที่เป็นก่อนให้ขณะให้หลังให้นะัะน้นเวลาคนจะให้ก็ให้ก่อนจะให้ก่อนเป็นกุศลก่อนเป็นจาคาก่อนที่คนเราวที่ดำริว่าจะให้เนี่ยตอนนั้นมันเป็นแล้วนะมันเป็นแล้วนะเป็นปุพหะเจตนาทานไปแล้วนะตอนนั้นเนะ่ยเช่นมีเจตนาจะถวายดอกไม้เนี่ย เจตนาก่อนมันเป็นทานไปแล้วกุศลก็เกิดได้แล้วในะตอนนั้นมันไม่ใช่ไม่ได้เนียแล้วกุศล ต, ตรงนั้นก็มีกําลังมากเลยเนะยไม่ใช่ไม่มากที่ก่อนให้เนี่ยเงี้ยก่อนต้มบิดต่างๆมาประดิษฐ์ประดอยมาปรับปรุงของแรงต่างที่จะให้เนี่ยอันนี้เป็นจาคาไปแล้วเขาเอาเจตนาตรงนั้นามาระลึกด้วยแล้วเอาภพที่ทานนั้นระลึกด้วยเนี่ยระลึกแบบตัดแบบสลัแบบวางเนี่ยยานี้เป็นขณะให้แล้วก็หลังให้นี่เป็นจาคาเนี่ย ละลึกถึงเทวดาอันนี้หมายถึงละลึกถึงคุณเทวธรรมธรรมที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเป็นตนละลึกถึงความสงบจากกิเลสอันนี้ระลึกถึงอุปสมานุสติคือปัญพานหลีกเลี่ยงคนหยาบคนกระด้างเออคนถ้าจะเจริญปีติสำโพชงนี่นะต้องหลีกเลี่ยงคนหยาบหยาบด้วยแล้วก็คหาบุคคลที่นุ่มนวลพิจารณาข้อความในพระสูตรที่น่าเลื่อมใสกันน้อมใจไปเกิดปีติพระมุต พัสูุที่เป็นเหตุแห่งความเลื่อมใสเนีย่ยมีเยอะเส้นพัสูุที่กล่าวถึงในเรื่องของคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์เป็นตน้นประการต่อมาก็คือว่าเหตุเกิดของปัสสทธิหรืออาหารของปัจสทธิเนี่ยนีิว่าไปยาวๆแน่นเลยเพราะว่าบริโภคอาหารอันปราณีตปัจสถาิเนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าความสงบปัจสทานนี่แปลว่าความสงบแทนปัจสถานจะเกิดได้เนี่ยคือความสงบประเภทนี้จะเกิดขึ้นมาได้ก็ต้องอาศัยอะไร อาศัยที่ว่าคําว่าปัจสถทนีเนี่ยก็แปลวความสงบลักษณะของความสงบเนี่ยปัจสถานีกับปีติเนี่ยไม่ไม่เหมือนกันมีความสงบกายสงบใจเขบอกบางครั้งก็เหมือนว่าเวลาเราอยู่ในที่ไหนเนี่ยเช่นไปอยู่ปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเราอยู่คนเดียวในโลกเยลยเวลานั่งกรรมาฐานปุ๊บ เ, เราปิดความรู้สึกหมดเลยเหมือนอยู่คนเดียวเลยเนี่ยเออและไม่มีเสียงดังมารบกวนเสียงภายนอกใดต่างๆเป็นต้นอะไรเนี้ย จิตของผู้ปฏิบัตินั้นเหมือนกับการปิดรับสัญญาณเสียงไว้ทําให้เกิดความสงบกายและวก็สงบใจไม่ถูกสิ่งภายนอกมารบกวนหนึ่งปสัสสตินั้นเป็นปฏิบัติต่อความฟุ้งซ่านความเดือดร้อนและปะสัสสตินี่แหละที่จะเป็นปจัจจัยเกิดสมาธิได้ค่อนข้างเลยทีนี้อาหารของเขาก็คือคนที่จะทําสมาจะทำปสัสสติให้เกิดได้ง่ายก็คืออาหารที่รับประทานต้องเป็นอาหารประณีตอาหารต้องต้องประณีตเนีย่ยถ้างั้น ถ้าได้อาหารที่ไม่ค่อยดีเข้าสู่ร่างกายเนี่ยเป็นเหตุทาให้ไม่ค่อยสงบนั้นเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยวันนี้เราจะเจริญสมาธิต้องการจะเจริญปัสสติสัมโพชฌงค์เนี่ยอาหารไม่สําคัญ เ, เอาอาหารเผ็ดจัดเลือกเปรี้ยวจัดเค็มจัดไปเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยแบบนี้หรือว่าอาหารที่ที่ห ย, ยาบๆหน่อยนยประเภทที่เคี้ยวก็ยากอะไรก็ยากเข้าสู่ร่างกายเนี่ยพอพออาหารนั้นตกคงไปสู่ในร่างกายใช่ไหมความสงบจะไม่ค่อยเกิด คือเคาเรียกว่ารูปประกายไม่สงบเขาใหญ่ยังกายทำไอ้ร่างกายทํางานหนักสภาพในการไฟธาตุที่อยู่ในร่างกายมันทํางานหนักมันต้องใช้การเผาผลาญค่อนข้างมากอาหารประเภทไขมันก็เยอะอะไรก็เยอะเข้าไปนี่นี่ยประเภทเนี้ยพอรูปประกายมันหนักพุทธิชนเป็นแบบนี้ถ้าหากกายหนักแล้วใจหนักด้วยกายเบาใจเบาเนี่ยนะมั น, น, ม, น, ม, นมันเชื่อมโยงกันระหว่างกายกับจิตพุทธิชนจะเป็นลักษณะอย่าง น, นี้ แล้วได้รับอุณหภูมิที่สบายอุตุอุตอตุสปายะอุตุสปายะว่าเพรทีบรรยากาศอากาศในค่อนข้างเป็นที่สปายะแต่ยังคนที่ไม่ได้เจริญงอกงามในกุศลธรรมระดับเจริญสำโพชงเนี่ยได้ได้ได้อุตุดีหลับใช่ไหมวันนี้บรรยากาศ ก, าก็ดีอากาศ ก, าก็ดีะอะไรต่าง่างนี้ดูท่าดูทางไปเสร็จหลับดีกว่าอย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ได้เกาอย่างนี้ก็เรียกว่าทีนะมีท่ากุ้มลมเยอะ แล้วก็เสพอียาบทที่สบายหมายถึงว่าอียาบทไหนที่จะทำให้ความสงบเกิดเร็วที่สุดยืนบางคนอยู่ในอียาบทยืนนะบางคนเขาอียาบทเดินเขาเดินปกติเขาสงบบางคนเขาอียาบทนั่งบางคนก็อียาบทนอนพอพูดนอนนี่ยอมมาพิรุเอออันนียถูกใจใช่ไหมอียาบทเนี้ยเขาโอกทําไมอยู่อียาบทนี้นานบอกปฏิสัทธิสัมวพชงเกิดดี อยา่ยาอคำสอนว่ายาไปพนก็ไม่ใช่แล้วแต่จริงๆบางคนเขาได้บางคนเขานอนแล้วเนี่ยปสสิความสงบกายความสงบใจเขาได้ดีทังการปฏิบัติเนี่ยแล้วอย่าไปจากัดแต่จริงๆท่านถ้าคนที่เขานั่นจริงๆก็อย่าเว้นนอนเขาไวเลยเขาไม่ค่อยมั่นใจเพราะยาบทนอนเลยมากมันมันง่ายต่อการที่จะทําให้ความเกียดชานเกิดเนี่ยมันง่ายมาก เพราะว่าเราคุ้นเคยกับเอียบทนี้มาแล้วใช้เอียบทนี้มาในการทําความเกียดชังมาเยอะทีนี้ความเกียด้านมันครอบงํายนชินแล้วท่านก็เลยต้องฝืนก่อนใ ห, หม่ๆจนฝึกจนเองจนชํานาญเบ็ดเสร็จแล้วต่อไปเอียบทนอนก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นที่อาศัยของตัณหามาหน้าทิถีต่อไปถ้าอย่างเนี้ยถ้าเขาชาระเอียบทได้ค่อนข้างดีแล้วนะเนี่ยคือเอียบทนั่งเอียบทนอนเอียบวจนเดินถ้บถ้าใคร จเจริญศริปัฏฐานจนสา ม, มารถชำระได้ดีแปลว่าไม่ให้เป็นที่อาศัยของกิเลสเหมือนว่าเหมือนคนบางคลที่บอกว่าดูแลร่างกายจนไม่ไม่เป็นที่อาศัยของไอฝุ่นละอองได้เป็นอย่างดีอันนี้แปลว่าว้ใจได้เลย้วถ้าหากว่านักปฏิบัติก็คือว่าเดินก็ไม่เกิดกิเลสนั่งก็ไม่เกิดกิเลสเดินก็นอนก็ไม่เกิดกิเลสยืนก็ไม่เกิดกิเลสเพราะไม่กิเลสไม่อาศัยในเอียบทยี่ยืนเดินนั่งนอนเป็นต้น อย่างนั้นเขเรียกสปายาส์และเอียบทถามว่าเราก็สังเกตใช่ไหยนั่งยืนเดินเนี่ยตรงนี้เออเป็นปัจชัยเกกุกศลได้มากกว่าก็เอาสามเอียบทนี้ไปแต่ถ้ามันเอียบทนอนเริ่มฝึกไปเนีถ้ามันปุ๊บทีไรมันจะหลับทุกทีต้องลุกใช่ไหมเวลาคนจะจะเลยลงฝึกดูที่นอนเราได้ได้เรื่องไม่อย่างตอนเนี้ยเราเริ่มจะขจัดความเจ็ดค้าน ข, าขาจัดกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นจากการ น, นอนได้อยัง พอเริ่มฝึกเป็นแล้วทีนี้เริ่มตึกเป็นนี้เขาเรียกสัพยามีความเพียรตันกลางไม่ยิ่งไม่หย่อนจนเกินไปแล้วก็หลีกเลี่ยงจะบุคคลผู้มีกายเล่าร้อนคนที่ชอบทํากายทุจริตเขาพาบุคคลผู้มีกายสงบเยือกเย็นแล้วก็น้อมใจไปเพื่อให้เกิดคําว่าน้อมใจไปเพื่อให้เกิดปัดสัตที่นี่ก็หมายความว่าก็หมายความว่าเออระลึกหรือน้อมไปว่าเออเนี่ยจะทําความสงบกายสงบใจให้เกิดขึ้น ประการต่อมาคือสมาธิสมาธินี่หมายความว่าความตั้งมั่นแห่งจิตนะทำมาสมาธินี่หรือแปลว่าการที่จิตมีอารมณ์เดียวเนี่ยฉะนั้นการจเจริญสมาธิเพื่อบรรลุฌานเนี่ยการเพ่งกระสินการดูลมหมายใจเป็นต้นเนี่ยเมื่อได้ก็เรียกเป็นโลกิยาสมาธิสมาธิเหล่านี้เสื่อมรักษาไว้ไม่ดีก็เสื่อมอ น, นั้นก็เป็นเรื่องปกติแต่ถ้าได้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ดีแต่กรรมเหล่านี้ก็ส่งผล ทีนี้สมาธิเนี่ยที่ท่านเจริญตรงนี้ก็คือว่าเพื่อจะเป็นสมาธิเนี่ยสมาธิในโคตรชงอ่ะที่ตรงกับสมาสมาธิในองค์มรแปลเป็นสมาธิที่มีกําลังมีกําลังแล้วก็เป็นปัจจัยการบรรลุวิปัสสนาญาณด้วยต้นเลสมาธิจริงๆมันมีอยู่คณิกาสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปนาสมาธิทีนี้เหตุเกิดของสมาธิเนี่ยท่านบอกว่าหนึ่งชำระร่างกายให้สะอาด สำคัญเนีสองปรับอินทรีย์ังที่ได้กล่าวสัตววิริยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยปรับให้สมดุลฉลาดในอารมณ์กรรมฐานก็แปลว่าเอธอรู้ว่าอารมณ์กรรมฐานอะไรที่จะเป็นปัจจัยเกิดสมาธิได้แก่เราได้ง่ายเอยอมันเขาไม่เหมือนกันเนี่ยบางคนก็เพ่งกรสินเตโชกสินวาโยไอ้สิบางคนปฐวีกสินก็เพ่งดินเงี้ยอาโปกสินก็เอาน้ามาเพ่งหรือว่าวายโยกถินอารมณ์อะเตโชกสินก็เอาไฟเป็นตน้นอหไรเนี่ย หรือว่าเจริญกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเขจะฉลาดในกรรมฐานบางคนก็อาณาปานสติประการที่สี่ข่มจิตที่ฟุ้งที่ฟูขึ้นเกินไปข่มจิตที่ฟูขึ้นเกินเกินไปในการข่มในที่นั้นตรงนี้เคยเคยเค ย, เคยพูดไว้แล้วก็ประคองจิตที่ท้อถอยยกจิตที่ที่หดหู่วางเฉยในจิตที่เสมอกันแล้วก็หลีกเลี่ยงผู้ไม่มีสมาธิโคบหาบุคคลผู้มีสมาธ แล้ก็พิจารณาฌานและวิโมกน้อมใจเพื่อให้เกิดสมาธินั้นๆอันนั้นเป็นองค์ของสมาธิเป็นองค์ของสมาธิประการสุดท้ายองค์ประกอบก็คื อ, อเวขาเวขานี่ก็แปลว่าการวางวางใจให้เป็นกลางการวางใจให้เป็นกลางคือการกําหนดถือว่าปรับนั่นเองปรับศรัทธาและปัญญาปรับวิริยะกับสมาธิให้สมดุลกัน ในการปรับเนี่ยจริงๆใช้อุเบขานี่ยมาปรับอุเบขาสัมโคชงเนีเป็นตัวปรับเป็นตัวสมดุลเขาบอกว่ารถเนี่เวลาเวลามันวิ่งมันได้ทางที่ตรงได้ทางที่ตรงได้ใได้หนทางที่ดีแล้วก็สภาพรถที่ดีเวลาวิ่งวิ่งไปเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องตื่นเต้นแล้วคนขับก็ประคองแค่นั้นเองแค่ประคองลักษณะของอุเบขาก็จะเป็นอย่างนั้นประคองอะไรประคองพวกศรัทธาก็ ปัญญาวิริยะกับสมาธิเป็นดุลให้มีความสมดุลเนี่เขาถึงบอกว่าเปรียบเหมือนกับสารถีผู้นั่งอยู่บนรถม้าที่แล่นไปตามคําสั่งไม่ต้องลงแท้ไม่ต้องแทงบะตักเหมือนคนบังคับรถเนี่ยรถก็จะสามารถไปได้ตามตามที่ตนเองต้องการ<ม>อันนั้นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอุเบกขาทีนี้องค์ประกอบที่จะทำคือวางเฉยวางเฉยในบุคคลวางเฉยในสิ่งของ ในคำว่าวางเฉยในบุคคล น, นี่มันไม่ใช่วางเฉยธรรมดาในยกตัวอย่างเช่นว่าเราเห็นบุคคลที่เขาเดือดร้อนเห็นบุคคลที่เขาเป็นทุกข์กันเนี่ยเออเราจะวางเฉยยังไงใช่ไหมโอ้คนเป็นทุกข์ตายเรามานั่งวางเฉยที่จะเจริญเวขาสำโภชงเออจะเจริญยังไงเอาคนกาลังเดือดร้อนคนทะเลาะกันเนี่ยเราวางเฉยใช่ไหมเจริญเวขาสำโภชงได้ไหมจะเจรออิญยงไยมวินเจริญยจะเจริญยังดิเรืองมันอายได้ไ ไม่ยงไม่ยงไม่ยงเรื่องของใครก็เรื่องของมันยิย่งจะไม่คิดอย่างนั้นก็คิดกรรมถ้าวางเฉยของของกับบุคคลเนี่นีคิดถึงกรรมคิดว่าศาตร์โลกเป็นไปตามกรรมเขากําลังทํากรรมรับผลของกรรมเนี่ยเพาพิจารณาอย่างนี้วางเฉยได้ถึงจะเป็นญาติเราก็เหมือนกันช่วยได้ไม่ น, นึงช่วยอย่างนี้ช่วยได้ที่ไหนหรอกถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยก็ให้วางตรงนี้ลักษณะ อ, อย่างนี้เหมือนกับการมันคล้ายๆอุเบกขาพลมิหารแต่ถ้าอุเบกขา เหตุที่จะเป็นปัจจัยเกิดเวขาสมโพชงนั้นต้องมีเวขาลมีหานเป็นตัวประคับประคองต้องสามารถวางเฉยในบุคคลได้ก็ใหญ่ใช่ไหมแล้วตัววะประคับประคองนั้นเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเราเึ่งน้อมมาเจริญเวขาสมโพชงในการที่จะปรับอินเสียงเราถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรามวลเลยฮัลโหลครับพอดีกำลังยายทาอยู่ถามถามคนหนึ่งอย่าทิ้งไปตามลำบาทเนี่ยพอพอเราวางเฉยต่อบุคคลอย่างเงี้ยจะเป็นปัจจัยถ้าเรามาปรับปรับ อินทรีย์ตรงนี้เบ็ดเสร็จเนี่ยจริงๆแล้ววิธีคิดข้างนอกเรายังพลาดเนี่ยเพราะมันจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคคลนะอย่าลืมเนี่ยงั้นการเจริญเจริญโพชฌงเป็นต้นเหล่านี้ต้องต้องต้องสามารถมองข้างนอกแล้วก็เป็นอาหารของข้างไในได้ด้วยเป็นปัจจัยการเจริญข้างในด้วยใช่ไม่สมมติเราจะเจริญไอจ เ, รอเจริญอุเบขาสัมโพชฌงแต่เราก็ไปที่บ้านเห็นคนในบ้านไปคนละทิศไปทางเลย คนนั้นก็อย่างนี้คนนั้นก็อย่างนี้มันจะปรับใจให้เป็นอุเบกขาก่อนต้องปรับให้เป็ น, น, นอ่ะถ้าแก้ได้เราก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้มันจะต่างอะไรใช่ไหมการแก้ปัญหาบุคคลอย่างเช่นคนคนนี้เป็นแบบนี้เราจะให้คนคนนี้เขาเป็นอีกอย่างมันแก้ไม่ได้ไม่ต่างอะไรคนเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้ายเราแก้ไม่ได้ไม่ต่างกันเลยนะ่สองคนนี้ไม่ต่างกันหรอมันเป็นระยะสุดท้ายเนะี่ยมันมีอย่างเดียวฉะนั้นเราคืออุเบกขาสามพุทธชงแต่คําว่าอุเบกขาสามพุทธชงในคําว่าเฉยในที่นั้นไม่ใช่เฉยเมยนะ ไม่ใชเฉยเมยเฉยแล้วมองแล้วไข้ครวรแล้วพิจารณาถ้าเฉยเมยเนี่ยก็เป็นโมหะโดยมากคนเราจะเป็นกันอย่างนี้เพราะเพราะเกลียดกันแล้วก็เฉยเมยเพราะเกลียดกันว่าอาไม่เอาแล้วไม่ครบแล้วคนคนี้เฉยเมยกันไปเลยอันนี้เขาเรียกเป็นโมหะจริงๆก็ให้เฉยแล้วมองไข่ควรพิจารณาฉะนั้นถ้าพิจารณาสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเป็นผู้รับผลของกรรมอย่างเนี้ยแล้วก็มองกรรมเสร็จแล้วมันจะวางเฉยในบุคคลนั้นได้ไม่เป็นทุกข์นะไม่เป็นทุกข์ แท้าวางเฉยกับบคุคคลแล้วพอไหมไม่พอแล้วคนที่เกี่ยวข้องก็มาทุบของเราทำไมวางเฉยในใ น, น, นสิ่งของะเป็นโทษอีกแล้วเช่นคนคนนี้เขามีอุปนิสัยอย่างนี้เขาจะต้องเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยเราบอกอยังไงก็ไม่เชื่อเอาเราวางเฉยกับตัวเขาได้แล้วแต่ถ้าเขามาทําของขอ ง, ของที่เกี่ยวข้องกับเราเป็นทรัพย์สมบัติของเราทําให้เสียอยู่เลยแต่เราลืมจเจริญอุเบกขาลืมวางเฉยในสิ่งของไม่เสียตรงเนี้ยได้บคุคคลจะเสีย พอไปคิดถึงสิ่งของทีไรเจ็บปวดอีกเข้าใ้ยังว่าอุเบกขาไม่เกิดอีกแล้วนอกจากเฉยกับบุคคลแล้วยังต้องเฉยกับสิ่งของเนื้อจะใครควรมาบ้านมีอะไรบ้างประตูนั้นตรงหน้าต่าง เ, เดี๋ยวอันนี้มาที่ไรเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นบ้างเดี๋วเลอะเทะบ้างเดี๋ยวพังบ้า ง, าา ง, างอะไรบ้างของนี่เอาไปซ่อมเดี๋ยวก็เสียอะไรเงี้ยนะเอาของนั้นก็นม า, าใคร่มันเสียดีค่าน้ํำค่าไฟใช่ไหมเอาแคค่าน้ํำค่าไปนี่ยเรารู้ว่าคนคนนี้ยเขาจะต้องมีผิดพลาดจนเรื่อยเนี่ย ถ้าเฉยกับคนนี้ได้แล้วจะเอาแล้วตอนนี้ข้าวไปขึ้นปีตึงเราลืมเฉยกับสิ่งของเริ่มวางเริ่มว่างก็ก็ใจเป็นทุกข์อีกแะสิ่งของหลีกเลี่ยงบุคคลที่ยึดติดขบวนในในบุคคลและสิ่งของใครที่ยึดติดมากๆยึดติดบุคคลยึดติดสิ่งของมากๆจะเลยดูเบีขายากเพราะมันยึดติดกังวลใช่ไหมแล้วก็คบหาบุคคลที่ไม่ยึดติดในบุในบุคคลและสิ่งของวางเฉยเพื่อให้เกิด ก็คือว่าน้อมจิตไปเพื่อเวคาสำโพชงที่เป็นไปภิกษุทําอย่างนี้เบสเด็จเขาเรียกว่าเจริญโพชงเป็นสภาวธรรมมีอยู่โพธปฏิบัติธรรมที่กําหนดสภาวธรรมภายในภายนอกทั้งภายในภายนอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างรวดเร็วก็จะรู้ชัดสภาวธรรมตามความเป็นจริงของชีวิตก็จะเชื่อมโยงรูปนามเป็นระบบแล้วก็ไม่มีอะไรควรที่จะไปยึดผูกคา ก็ละคลายความยึดมั่นถือมั่นต่างๆเรานะั้นดูพระพุทธเจ้ากล่าวตอนท้ายบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุที่อาสวะเหล่าใดอันภิกษุใดพึงละได้ด้วยข้อการเห็นอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุนั้นละได้แล้วเพราะอาการเห็นอาสวะเหล่าใดอันภิกษุละได้ด้วยการสังวรอาสวะเหล่านั้นอันภิกษุพึงละได้แล้วด้วยการสังวร อาสวะเหล่าใดภิกษุพึงละได้โดยการพิจารณาเสพอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุละได้แล้วโดยการพิจารณาและเสภอาสวะเหล่าใดภิกษุพิจารณาละได้ว่าการอดกลั้น อ, อาสวะเหล่านั้นอันภิกษุนั้นละได้แล้วด้วยการอดกั้นอาสวะเหล่าใดอันภิกษุใดจะพึงละได้เพราะความเว้นรอบอาสวะเหล่านั้นอันภิกษุเหล่านั้น ก็ละได้แล้วโดยการเว้นรอบอาสวะเหล่าใดอันภิกษุทั้งหลายพึงละได้โดยการบรนเทาอาสวะเหล่านั้นอันภิกษุเหล่านั้นได้ละแล้วโดยการบรนเทาอาสวะเหล่าใดอันภิกษุเหล่านั้นพึงละได้โดยการอบรมอาสวะเหล่านั้นเป็นอันภิกษุละได้แล้วโดยการอบรมดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกทุภิกษุนี้เรากล่าวว่าเป็นผู้สํารวมโดยการสังวรในอาสวะทั้งปวงอยู่ตักตัญหาได้แล้วยังสังโยชน์ให้ปราศจากไปแล้วได้ทําที่สุดทุกเพราะการตรัสรู้ด้วยการเห็นและการละมานะโดยชอบ พระผู้มีพระเจ้าตรัสสังวระปริยายนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นชมยินดีพระิตยของพระเจ้า น, นี้จบอันนี้จบในพระบาลีดูดูตอนท้ายเนาะตอนท้ายของอัจฉริยท่านท่านท่านสาเสยสาธิ ย, ยายเขาไว้ในในคลองการว่าอบรมเป็นต้นคือคือในการเจริญอุเบกขาในเจริญโพชฌงเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนะที่บอกว่าทางนี้ก็คือว่าเจริญสติสัมโพชฌงเป็นต้นจนถึง อุเบกขาสัมพุทชงเป็นเป็นที่สุดพัตถุประสงค์ตรงนี้ก็คือว่าการละกิเลสโ ด, ดยสามารถเบื้องต้นแห่งการเจริญเนี่ยเป็นวิปัสนาก ร, รวิปัสนาภาวนานก็สามารถที่จะละกิเลสละกิเลสได้โดยการโดยโดยแต่ทางแล้วประหารและเมื่ออบรมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็จะเป็นปัจจัยแก่การเจริญที่เป็นสมุเฉ ท, ทัพประหาราก็แปลว่าการละได้ได้ได้โ ด, ย, ดยเด็ดขาดทีนี้ในเรื่องของ การละดังที่ได้กล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าแต่ในขณะแห่งส่วนการเล่นไปสู่พระนิพพานโดยการน้อมไปสู่พระนิพพานนั้นในขณะแห่งการเจริญวิปัสสนาที่ว่าการละโดยการเล่นไปแต่ในขณะแห่งมักการเล่นไปสู่พระนิพพานจะมีได้ก็ด้วยสามารถแห่งการทําให้เป็นอารมณ์เป็นตน้น น, น, น, นั่นบอกว่าในขณะเจริญวิปัสสนานีอันนั้นชื่อว่ากําลังเล่นไปสู่กําลังจะแล่นไปสู่พระนิพพานก็แปลว่าเป็นเบื้องต้นแห่งการที่จะเป็นปัจจัยแก่การแทงตลอด แต่ว่าเมื่อในเมื่อทําอริยมรรคให้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอริยมรรคนั่นแหละจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดหรือบรรลุพระนิพพานเพราะว่าอริยมรรคนั้นท่านว่ามีมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นอย่างนี้ท่านในเจ็ดวิธีที่ในสัพพาสะวะสังวรสูตรพระเจ้าจัดตัดวิธีละไว้เจ็ดวิธีอาสะวะที่พึงละได้ด้วยด้วยการเห็นเห็นเห็นสภาวะธรรมดำความเป็นปจริง ก็อาสวะที่พึงละได้โดยการสํารวมอาสวะที่พึงละได้โดยการซ่องเสพอาสวะที่พึงละได้โดยการอดกลั้นอาสวะที่พึงละได้โดยการเว้นอาสวะที่พึงละได้โดยการบรรเทาอาสวะที่พึงละได้โดยการเจริญและอาสวะที่ในเจประการเนี่ยจะสําเร็จลงได้ก็ต้องมีโยนิสโสมนสิการคือการพิจารณาโดยแยกคายฉะนั้นทุกข้อเนี่ยจะมีตัวยโยนิสโสมนสิการเป็นตัวนวําไว้ต พิกษุพิจารณาโดยแยกคายแล้วเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้นะทีนี้ในพระสูตรบางสูตรเนี่ยท่านจะมีนอกจากกล่าวโยนิโสมนสิการแล้วเนี่ยท่านก็กล่าวปรัตโตโคสัเพราะอย่างเราเราเนี่ยนะบอกว่าอยู่จะให้โยนิโสมนัสิการเกิดไม่ได้ต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเช่นพระพุทธเจ้าสาวกของพุทธเจ้าเป็นตน้นคืออาศัยการฟั้งทำเป็นต้นเนี่ย ฉะนั้นการฟังทำเป็นต้นเหล่าเนี้ถึงจะเป็นปัจจัยเกิดโยนิโสมนัสิกานฉะนั้นเมื่อโยนิโสมนัสิการเกิดเกิดขึ้นมาแล้วโยนิโสมนัสิกานนี่เลยจะเป็นปัจจัยแก่การจเจริญสติสัมโพชงธรรมวิจยะสัมโพชงเป็นต้นเหล่าเนี้ใช่ไหมเพราะว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นต้นเห็นไหมภิกษุในพระธรรมวินัยนี้พรริจ า, ารณาโดยแยกคายแล้วพิจารณาดีเป็นผู้สํารวมระวัง เป็นผู้สำรวมระวังพิจารณาโดยแยกคายแล้วนอกจากจะเป็นเหตุของการปิดกั้นอาสะวะด้วยด้วยการเห็นสภาวะทำตามความเป็นจริงแล้วยังเป็นเหตุให้เกิดการละอาสะวะได้ใช่ไหมการละอาสะวะได้อยู่คือถามบว่าถ้ามีโยนิโสมนสิการพิจารณาพิจารณาที่บอกว่าเห็น ปิดกั้นอาสวะปิดกั้นการมาสวะภาวาสวะทิฐาสวะอวิชชาสวะได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะถ้าพิจารณาหมายว่าทัศนะคือเห็นตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยก็ยังไปปิดเหตุให้เกิดอาสวะอีกหกประการได้อีกหกประการก็คือว่าเช่นอาสวะที่พึงละได้โดยการสํารวมอาสวะที่พึงละได้โดยการเสพอาสวะที่พึงละได้โดยการอดกั้น อาสะวะที่พึงละได้โดยการเว้นอาสะวะที่พึงละได้โดยการบรรเทาและอาสะวะที่พึงละได้โดยการเจริญเนี่ยในในหประการเนี่ยอาศัยประการแรกนะเป็นอีกเช่นอาสะวะที่พึงละได้โดยการเห็นในข้อแรกดังที่ได้กล่าวมาแล้วนี้มาสรุปนี่ทีนี้ประการที่สองที่ว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วใช้สอยจีวรใช้สาเครื่องหนึ่งโหมเพียงเพื่อบำบัด ค, ความหนาวบำบัดสัมผัสที่เกิดจากเหลือบยุงลมแดดและจัดเลื่อยคานเพียงเพื่อปกปิดเอาไว้ย่อที่เกิดให้เกิดความลาย ตรงนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าละได้โดยการเสพโดยการใช้สอยโดยการบริโภคปัจจัยสี่เป็ต้นเหล่าเนี้อันนี้ก็เรียกว่าพิจารณาโดยแยกคายแล้วหนึ่งอาหารหนึ่งกีวรสองอาหารสามเสนาสะนะสี่ก็คือว่ายารักษาโรคแล้วพิจารณาโดยแยกคายแล้วบริโภครักษารักษาโรคก็ดังที่ได้กล่าวไว้ ทีนี้ในในมหาธรรมมาสมาทานสูตรในในมูลปัญธาดเหมือนกันคือปุตุชนที่ไม่ได้สดับย่อมไม่รู้ทำที่ควรเสพและไม่ควรเสพและควรครบไม่ควรครบเมื่อไม่รู้จกักทำที่ควรเสพและไม่ควรเสพบุคคลที่ควรครบและไม่ควรครบเมื่อเป็นเช่นนี้สิ่งที่ไม่น่าปรารถนาเป็นต้นจึงเจริญสิ่งสิ่งที่น่าปรารถนาเป็นต้นก็เสื่อมเพราะเป็นการกระทําของผู้ไม่รู้ ส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับมีนิย่าตรงเงินข้ามนะคือเขารู้ว่าทำที่ควรเสพและไม่ควรเสพคนที่ควรครบและไม่ควรครบเนี่ยพราะเขารู้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยทำที่กุศลธรรมก็จเจริญขึ้นอาคุศลธรรมก็เสื่อมนี่นี่เขาจะไปเชื่อมโยงกระสูตรนั้นส่วนประการที่สี่ก็คืออาสวะที่พึงรักได้ด้วยอธิวาสนะอธิวาสนะก็แปลว่าความอดกลั้นภิกษศูปพิจารณาโดยแยกคายแล้วเป็นผู้อดทนได้ต่อหนาวความร้อนหิวกระหายต่อสัมผัส พวกเรือพวกยุงพวกแดดพวกสัตว์เลื้อยคลานไอ้ตรงนี้อดทนยากเนะียสมมติว่าฟังทํายุงกัดใช่ไหมหรือเจ็บปวดเมื่อยเนี่ยทนเนี่ยคําว่าทนที่เป็นอธิวาสนะเนี่ยก็แปลว่าเขาทนแล้วใจไม่เป็นทุกข์กายเป็นทุกข์แต่ใจไม่เป็นทุกข์เขาบอกหนักกว่า น, นั้นก็คือว่าขนาดทําลายชีวิตได้ก็ไม่หวั่นไหวนนี้แต่ว่าเป็นอธิทิวาสนะขันติจริงๆยังยังมีใครเคยปวดขนาดนั้นปวดแบบว่าตายแน่แน่ ปวดแบบตายแน่ ๆ, ๆ, ๆเคยปวดขนาดนั้นยังไม่เคยยังเดี๋ยวเดี๋ยวก็เจอชีวิตทุกชีวิตจะเจอนี่เ็นยัยพายวันนี้พาใยฟอนบุตรแต่ยังคือมันชีวิตมันต้องเจออาสวะที่ลาดได้โดยการอดทนนี้ก็ฝึกว่าฝึกละไม่ให้กา ม, มาสวะไม่ให้ภาวาสวะไม่ให้ทิฏฐสวะอวิชชาสวะเกิดฝึกอดทนฝึกไข้ควรฝึกพิจารณาเริ่มตั้งแต่ยุงเหลือเอ้ยลมเอ้ยแดดเอ้ยอะไรเน่ะฝึกมัน บางที่ไปไหว้พระธาตุเนี่ยไปไหว้พระพุทธเจ้าพระประถมดีย์ดีคนเขาก็ใส่รองเท้าขึ้นกันไปเดินข้างวนซึ่งมันโอ้โหมันเจ็บปวดเนี่ยถ้าเรานึกถึงผลของการที่จะได้รับของการที่ไม่เคารพพระพุทธยาว์คือถ้างั้นไม่ไปเดินก็ยังดูดีกว่านี่ไหมด้วยเดินข้างล่างเลยก็ยว่ากันก็เดินไปข้างล่างนี่ขึ้นไปข้างบนซึ่งเป็นเขตพระพุทธเจ้าจริงๆเลยเขาวนถอดรองเท้าทั้งๆ้ที่พระเนในนั้นด้วยนะ ขึ้นไปเดินกันเต้เขาใส่รองเท้ากันเตนะ็มไลยเขาล้อนี่มีวันหนึ่งไปก็ประมาณที่ยังที่ยงกกว่าก็ ข, ขึ้นไปเดินประทักศิลสามรอบเออรู้สึกร้อนไนงะแผ่นแผ่นของนั้นนจะร้อนมากโยมที่ไปด้วยหลายคนนึกพระมีพระเป็นเขาโค้วยด้วยจังเขาวยเยนะขาเ ข, ขาขจะคิดยังไงเนี่ยคนเดินนี่กระตุกเท้าไปด้วยมันร้อนมากอะ่ะไม่ใช่ร้อนธรรมดาร้อนมาก ก็เลยบอกว่าเอาเวีจีร้อนกว่านี้เยอะในเอาเวีจีร้อนกว่านี้เยอะคือโลกมนุษย์ในโลกใบนี้บางแห่งก็ร้อนกว่านี้เยอะทําไมพวกคนป่าที่ไม่มีรองเท้าใส่ใช่ไหมพวกออเบรจินพวกไอแถวออสเตรเลียแถวอะไรต่างอะไรเนี่ยมันเดินด้วยเท้าเปล่าวิ่งได้เป็นสิบสิบยี่สิบกิโลบางทีความร้อนขึ้นถึ ง, 40, 50, 50, งสี่สิบห้าสิบองศาเห็นเป็นไรนั่นตรงเนี้ยเราก็อยู่ที่ว่าเราจะฝึกฝึกอดทนยังไง เมื่อวานี้เงินเข้าไปเอาหนังสือไปซื้ก็เลยไปเวียนไอปไปที่พระเจดีร้อนเนื้อเดินเดินกระตกเก่าจริงก็ร้อนทุกคนในเรื่องความร้อนแต่ว่าเออเราจะจะจะจะทนยังไงใช่ไหมจะทนยังไงก็ก็ฝึกกันอาสวัสพึงละได้ด้วยด้วยการเว้นอันนั้นก็คือเว้นช้างดุหมาดุโคดุสุนัขดุงูตอไม้หนามบ่อเหียวน้ําครัมถุมโสโคกที่เที่ยวไปไม่สมควรแล้ว สถารที่สุดท้ายคือเว้นมิตรช่วรู้จะจะเว้นมิตรช่วคือเข้าไปหาคนชั่วก็เว้นอันนั้นจริงๆเพื่อเจริญก็งามในในในกุศลธรรมอาสวะที่พึงละได้ด้วยการบรรเทาบรรเทาว่ากามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกแล้วสุดท้ายก็คือที่ว่าเป็นคู่เนี่ยสติอบรมนั่นเององค์แห่งการตัดสู้คือสัมพ่อชงเนี่ยเขแปลว่าองค์แห่งปัญญาเครื่องตัสรู้สัมพ่อชง แล้วเขาเขียนว่าสามโอชงสติสัมโอชงคําว่าสามโอชงก็แปลองค์แห่งองค์แห่งปัญญาเครื่องตัศรูองค์แห่งปัญญาเครื่องทัศรูสติสัมโพชงก็เป็นองค์แห่งปัญญาธรรมวิจยะสัมโพชงก็เป็นองค์แห่งปัญญาวิริยะสัมโพชงก็เป็นองค์แห่งปัญญาปีติสัมพโอชงก็เป็นองค์แห่งปัญญาปัสสติสมาธิอุเบขาสัมโอชงก็เป็นองค์แห่งปัญญาก็คือ วางเฉย อ, อิงอันอิงความอันอิงวิเวกอิงวิราคะอิงนิโรทะน้อมไปเพื่อการสละอะไรสละอะไรสละขีเลศนี่แหละเรียกว่าอาสวะที่พึงละได้โดยการเจริญพระเจ้าสรุปยังไงเมื่อเธอละอาสวะได้ด้วยการเห็นด้วยการสัมรวมด้วยการเสพด้วยการอดทนด้วยการเว้นด้วยการบรรเทาด้วยการเจริญอย่างนี้แล้วเธอจึงชื่อว่าได้ปิดกั้นแล้วซึ่งอาสวะทั้งปวง ตัดขาดซึ่งตันหาคลายคลายได้ซึ่งเครื่องผูกมัดทำที่สุดแห่งทุกโดยชอบเพราะรู้แจ้งเรื่องของจิตใจมใาจากคาว่ามานาพิสมยาอนุตตะมากาสิทุกขสะนี่ในมูรปะปัญญบอกว่าเออถ้าถ้าเว้นอาสวะเหล่านี้ได้นะเว้นด้วยการเห็นตามความเป็นจริงเว้นด้วยการสํารวมเว้นด้วยการเสกเว้นด้วยการอดทนหรือโดยการเว้นละนะปิดเนะี่ยปิดอาสวะ ปิดอาสวะด้วยการเห็นด้วยการสัมรวมด้วยการเสพด้วยการอดทนด้วยการเว้ น, ด, ววนด้วยการบรรเทาด้วยการเจริญอย่างนี้แล้วเธอจึงจะชื่อว่าปิดกั้นแล้วซึ่งอาสวะทั้งปวงถ้าหากว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เว้นทั้ง7ประการนี้ไม่เรียกว่าปิดอาสวะทั้งหมดนะถ้าอย่างนั้นอาสวะก็จะมีช่องเกิดอยู่ใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นว่าเออเห็นเนี่ยเห็นเราปิดปิดกิเลสได้กั้นกิเลสได้ แต่เวลาการสํารวมใหม่หรือการเสพหรือการอดทนการเว้นการบรรเทาการเจริญทีนี้เมื่อปิดได้โดยอาสวะทั้งพวงแล้วก็ตัดขาดตันหาคลายได้ซึ่งเครื่องผูกมัดได้ทําที่สุดทุกโดยชอบรู้แจ้งเรื่องของจิตงั้นตรงนี้ก็คือว่าอปบประพาธรรมทำทำที่เป็นเบื้องต้นก็คือปรโตโขโศกคือปัจจัยภายนอกที่ทําให้เกิดและก็โยนิสโสมนัสิการเป็นต้นเหล่านี้ไนงะ เอามาเชื่อโยงกันหลายๆสูตรตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นอันว่าสภาสวะสังวรสูตรเป็นเป็นพระสูตรค่อนข้างที่จะยาวก็ก็จบกว่าจะจบก็มาสหลายอาทิตย์เลยต่อท้ายที่มีใครจะถามปัญหาเลยก็ก็ก็ว่ามีประเด็นจะถามมั้ยไม่ถามก็เดี๋ยวจะเล่นกุศลกัน ที่ท่านได้รับฟังจบแล้วนั้นเป็นการบรรยายธรรม म, โดยท่านพระอาจารย์ประสุทธทรถกโร<ล>มวัดกลาง อำเภอบางปลามาจังหวัด ส, สุพรรณบุรีท่านผู้ฟังครับการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวงสมดังพุทธภาสิทธิ์บททว่าสภท า, านังธรรมะทานังชินาติขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกๆ ท, ท่านสวัสดีครับโมโ Akusalam, amoh kusalam, p a n a t i p a t o khovach akusalam. ดินนาดาลัมโขวัชอะกุศลัมดินนาดานาเวรมันยกุศลั कामेसु मिच्छाचारों खोवच्छ अ क ु स ल म कामेसु मिच्छाचारा व े र म न ी क ु स ल म मुसावा दो खो अच्छा अकुसलम मुसावादा व े द म न कुसल म พิศูนยาวาจาโขมภัชกุศลัมพิศูนยาวาจายาเบรมณีกุศล रूसाय वाचा खोवछ अकुसलम फरूसाय व ा च ा य वेरमनी พลาปขโว่จลัมสพ पा รมันกุศล ข้อบัตรฉ क บอคุศลนั้นอนาิจจะคุศลวียปะโดข้อัตรฉอคุศลนอวีปโดุล บาดิคธิ์ขวัตชั่กุศลัมสมมาดิทธิกุศลทิฏฐิขวัตชั่ตสสธมมา Kusala dasa dhamma kusala.